ขอเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำบูชาพระระตัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันกค่ะอิมินาสกาเรนาพุทธังปูเชมะอิมินาสกาเรนาธรร ม, มังปูเชมะอิมินาสกาเรนสังฆังปูเชมะ อะรหังสัมมาสัมพุทโธพระควาพุทธังพระควันตังอะิวาเทมิกราบสวากขาโตพระควตาธโมธรรมังนามัสมิกราบสุปฏิปันโนพระควะโตสาวกสังโคสังขังนามามิกราบ ลำดับต่อไปขอเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคําอาราธนาศีลโดยพร้อมเพรียงกันค่ะมายังพันเตวิสุงวิสุงราคานัฏฐานะติสารเนนัสหะปัญจะศีลานิยาจามะทุติยัมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงราคานัฏฐายะติสารเนนัสหะ ปัญจะศีลานิยาจามะตะติยัมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงราคณนัายะติสารเนนะสหะปัญจะศีลานิยาจามะรับศีลขอศีลแล้วต้องต้องทำนะขอเล่นเล่นไม่ได้ก่อนจะรับศีลเนี่ยพระให้ใจสารณคม ในสมัยพุทธกาลเนี่ยการให้ใจสันสมาคมก็คือการบวชนะ <S <S <S นเท่ากับเรายอมรับศาสนาพุทธเข้ามาในใจเรางั้นไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสะนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสะนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสะ นะโมตัสสะพัคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะพัคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพัคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะพุทธังสารนังขจฉามิพุทธังสารนังขจฉามิ ธรรมังสารานังขจฉามิ <Hispan ically> <ays> สังขังสารนังขจฉามิทุติยามปีพุทธังสารนังขจฉามิทุติยามปีธรรมังสารนังขจฉามิ ทุติยมปีสังคังสารนังขจามิตติยมปีพุทธังสารนังคจามิตติยมปีพุทธังสารนังขจามิตติยมปีธรรมังสารนังขจามิตติยมปีธรรมังสารนังขจามิตติยมปีสังคังสารนังขจามิตติยมปีสังคังสารนังขจามิติสารณคขมันังนิ อะมะพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิอะตินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิอะตินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิ กาเมสุมิฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมรยะมะชะปะมาทฐานาเวรามณีสิกขาปะทางสมาธิยามิสุราเมรยะมะชะปะมาทฐานาเวรามณีสิกขาปทางสมาธิยามิยิมานิปัญจาสิกขาปะานิสีเลนะสุขติยันติสาธุสีเลนโพคสัมปทาสาธุ สีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีหลังวิโสทะเยสาธุลำดับต่อไปขอเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำอาราธนาธรรมโดยพร้อมเรียงกันค่ะพรามาจะโลกาทิปติสหัมปติกัดอันชรีอันทิวรางอัยาจธะสันติทะสัตตาประชักขชาติกา เทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปาชางรับศีลแล้วนะก็เตรียม้ากับเตรียมใจให้พร้อมสำหรับการรับธรรมะมีศีลก็มีธรรมจะมีธรรมก็ต้องมีศีลถ้าเราทุกวันนี้หลวงพ่อเจอครูบาอาจารย์ท่านบนว่าคนยุคนี้ไม่ถือศีล เห็นศีลเป็นเรื่องโงงมงายใครถือศีลก็ถือว่าโง่ซะอีกไม่รู้หรอกว่าการถือศีลมีประโยชน์ขนาดไหนถ้าเรารักษาศีลได้ดีธรรมะก็เจริญศีลกับธรรมมันของคู่กันตลอดอย่างศีลข้อแรกไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทำร้ายสัตว์ไม่รังแกคนอื่นเรารักษาศีลข้อนี้ธรรมะคือความเมตตากรุณาอะไรพวกนี้ก็จะเจริญขึ้นด้วยนะ มันใจมันจะคุ้นเคยที่จะไม่หลังแกใครไม่ข่มเหงใครเรารู้จักรักษาศีลไม่รักไม่ขโมยอะไรนะความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ได้มันจะลดลงใจต่อไปใจมันเต็มมันก็สามารถเสียสละได้ไม่ใช่แค่ไม่เอาของคนอื่ น, นะนกล้าให้คนอื่นได้ด้วยการทำทานการอะไรมันพัฒนาขึ้นไปหรือเรา สันโดษในคู่ของเรามันก็เป็นการฝึกจิตฝึกใจไม่ให้หลง ก, กับกรรมไม่ให้หาความเพลิดเพลินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสอย่างเดียวใจรู้จักสันโดษไม่พลุกพลีอยู่กับโลกมากเกินไปบารมีในด้านในคัมมะอะไรการที่จะออกจากกรรมมันก็มากขึ้นนี่เป็นตัวอย่างนะหรืออย่างศีลข้อสไม่โกหกหลอกลวง ธรรมะที่จะเจริญขึ้นก็คือสัจจะเราจะกลายเป็นคนมีสัจจะพูดจาน่าเชื่อถือแล้ศีลเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเรารักษาให้ดีธรรมะก็จะเจริญขึ้นจุดสําคัญอีกจุดหนึ่งก็คือคนที่มีศีลเนี่ยสมาธิจะเกิดง่ายเพราะคนทําผิดศีล น, นะจิตใจจะฟุ้งซ่านอยากคิดจะฆ่าเขาคิดจะตีเขาคิดจะทําร้ายเขาเนี่ยจิตใจมันฟุ้งซ่าน คิดแต่ความเมตตากรุณานะจิตใจมีความสุขมีความสงบงั้รักษาศีลนี่เป็นเรื่องดีไม่คิดขโมยเขานะคิดจะลักคิดจะขโมยเขานะต้องวางแผนขโมยแล้วก็กลัวคนเห็นขโมยเสร็จแล้วก็ต้องปกปิดไม่มีความสุขไม่มีความสงบคนที่รู้จักให้มีความสุขมากกว่าเยอะเลยงั้นศีล น, นี่แหละทาให้ใจเราได้สมาธิขึ้นมานพวกเราขอศีลเมื่อกี้ไม่ขอมากง่าย อแล้วลองไปทำดูสมัยพุทธกาลก็มีพระองค์หนึง่งท่านออกมาบวชรุ่นเดียวกันเป็นพระลรหันไปหมดแล้วท่านไม่ได้อะไรเลยในี่ใจท่านก็หดหู่มากวันหนึ่งท่านเอามีดปาดคอตัวเองรู้สึกว่าบวชไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วเป็นพระหลอกชาวบ้านกินไปวันหนึ่งวันหนึ่งปาดคอตัวเองท่านก็มานึกขึ้นว่าบวชมาไม่ได้อะไรจริงหรือท่านก็นึกได้นะว่า ตั้งแต่บวชมาเนี่ยตั้งใจรักษาศีลไม่ดังพลอยเลยนะท่านคิดถึงว่าใจของท่านนะจะคิดได้ว่าตั้งแต่บวชมานะมีแต่ศีลไม่ดังพลอยเนี่ยจิตใจมีปิติมีความสุขมีความสงบนะได้สมาธิขึ้นมาเลยพอจิตใจท่านได้สมาธิขึ้นมาแล้วท่านก็มาเจริญปัญญาท่านเห็นร่างกายจะตายใจของท่านเป็นแค่คนดูเท่านั้นเองกายกับใจแยกออกจากกันนะสุดท้ายท่านก็ล้างกิเลสสาเร็จ เป็นพระอรหันต์นะในขณะที่เสียชีวิตเนี่ยเรื่องศีลไม่ใช่เรื่องเล่นๆ น, นะนี่คนไทยมักง่ายรับศีลแล้วรับกันพล่อยๆนะรับเสร็จแล้วมางคนกน็รับเสร็จปุ๊บนะเทศแข่งกับพระเลยนะคุยจ้ยๆๆนี่โมเสาว่าและพูดเฟิร์เจอร์นะอย่างฝรั่งนะถ้ารับศีลรับใจศาสรนาคมเนี่ยเขาถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากคือการเปลี่ยนศาสนานะรับรับแล้วเขรับจริงๆปฏิบัติจริงๆเราอย่าทําหล่อๆแระนะ ใจอ่อนโลเลใช้ไม่ได้จริงหรอกเราอยากพ้นทุกข์อยากได้มาผลนผิพพานในชีวิตนี้ใจต้องเข้มแข็งการรักษาศีลนะเป็นการฝึกตัวเองเป็นการข่มใจนะรักษาศีลเนี่ยเป็นการข่มใจไม่ให้ทําตามกิเลส ช, ช่วยหาบที่จะทําผิดศีลห้าเป็นกิเลสที่มันรุนแรงถ้ามันครอบงําจิตใจนะเราจะทําผิดทางกายทางวาจาได้งั้นเราข่มใจไว้ไม่ยอมทําตาม กิเลสเราอยังสู้กิเลสไม่ได้ทําอย่างอื่นไม่ได้ข่มใจไว้ไม่ยอมให้ทําตามกิเลสนี่แหละเรียกว่าศีล น, นะตั้งใจงดเว้นไม่ไม่เหมือนแนสมาธิสมาธิเนี่ยจิตมีพลังมากขึ้นละข่มกิเลสไว้ไม่ให้มาตังแกใจได้ศีลเนี่ยข่มใจไม่ให้ยอมแพ้กิเลสไม่ให้ทําตามกิเลสสมาธิเนี่ยข่มกิเลสไม่ให้มายอมใจได้ปัญญาเนี่ยเห็นความจริงของทั้งกิเลสทั้งจิตใจนะสุดท้ายไม่ยึดถือ สิ่งใดสิ่งหนึ่งเลยนะก็พ้นไปเลยงั้นศีลสมาธิปัญญานะเป็นของที่สืบเนื่องกันไปเรื่อยๆเวลาศึกษาศึกษาให้รอบครอบนะเป็นของสําคัญทั้งนั้นถ้าไม่ใช่ของดีไม่ใช่ของพิเศษนะพระพุทธเจ้าไม่เอามาสอนเราหรอกเพราะท่านบอกเลยว่าสิ่งที่ท่านสอนใบไม้หนึ่งกำมือที่ท่านสอนใบไม้ตั้งป่าหนึงเยอะแยะไปความรู้ต่างๆมากมายในโลกนี้ท่านไม่เอามาสอนถ้าเอามาสอนใบไม้กํามือเดียว ก็คือธรรมะที่จะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์เท่านั้นเรื่องศีลเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งที่ท่านสอนถัดจากเรื่องศีลก็เรื่องของสมาธิเราพูดกันมักง่ายไปนะจริงๆพระพุทธเจ้าท่านสอนบทเรียน3บทชื่อศีลสิกขาเรียนว่าจะรักษาศีลได้ยังไงจิตสิกขาเรียนเรื่องจิตถ้าเรียนเรื่องจิตได้แล้วเราจะได้จิตที่มีสมาธิ เพราะนการเรียนเรื่องจิตหัดดูจิตดูใจอะไรเนี่ยสิ่งที่ได้นะคือสมาธิเมื่อจิตมีสมาธิถูกต้องดีงามแล้วนะถึงจะถึงขั้นของการเจริญปัญญาศีล ส, สมาธิปัญญานะก็จะต่อเนื่องเหมือนบันไดาสาขั้นพวกเราเคยเห็นพระพุทธรูปไหมเขามีฐานนะอย่างพระสมเด็จวัดะระฆังอะไรเนี่ยจะมีฐานสามชั้นก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นเองงั้นเบื้องต้นเราตั้งใจรักษาศีลให้ดีนะ ถัดจากนั้นเราก็มาฝึกจิตฝึกจิตแล้วเราจะได้จิตที่มีสมาธิที่ถูกต้องสมาธินั้นมีสองชนิดทรงนี้แหละไม่ค่อยมีคนรู้ไม่ค่อยมีใครสอนกันเอะก็จะนั่งสมาธิให้สงบนั่งสมาธิให้สงบสมาธิที่นั่งนะอยู่ในอารมณ์อันเดียวนั่งเพ่งไฟเพ่งกสินนะเพ่งร่างกายคิดพิจารณากายอะไรต่ออะไรสารพัดจะทำสมาธิอย่างนั้นเนี่ย เป็นการน้อมจิตให้อยู่ในอารมณ์อันเดียวเป็นสมาธิที่ทําไปแล้วได้ความสุขได้ความสงบเป็นสมาธิที่มีมาก่อนพระพุทธศาสนานะก่อนพระพุทธเจ้าเขาก็สอนสมาธิที่จิตสงบจิตแน่วแน่จนถึงก็เข้าฌานได้ห่อเหินเดินอากาศได้นะดำดินได้อะไรสารพัดจะเก่งแต่สมาธิแบบนั้นมันไม่ล้างกิเลสเราต้องรู้ให้แจ่มแจ้งว่าสมาธิมีสองชนิดนะ สมาธิชนิดที่1เนี่ยจิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวภาษาปริยัติเขาเรียกว่าอารัมมณูปนิชานสมาธิเพ่งอารมณ์ธรรมดาจิตใจของเราเนี่ยดิ้นหาความสุขหาอารมณ์ที่มีความสุขไปเรื่อยวิ่งไปดูรูปวิ่งไปดูหนังไปดูทัศนาจรอะไรเนี่ยหวังว่าจะมีความสุข วิ่งไปฟังเพลงไป ana, หาอะไรฟังให้ดีๆนะหวังว่าจะมีความสุขไปดมกลิ่นหอมๆว่าจะมีความสุขไปกินของอร่อยก็หาความสุขไปคิดเรื่องสนุกสนานก็ว่าจะมีความสุขจิตใจนั้นน่ะดิ้นหาความสุขไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจตลอดเวลานะหาแต่ความสุขแต่ว่าหาแล้วมันไม่สุขจริงอย่างเราไปดูหนังมีความสุขไปเดี๋ยวหนึ่งก็ไม่สุขละไปฟังเพลงมีความสุขไปเดี๋ยวหนึ่งก็ไม่สุขละจิตยั่วดิ้นหาอารมณ์ ภายนอกไปเรื่อยๆว่าทํำยังไงจะมีความสุขทําไงจะมีความสุขทุกๆคนก็ดิ้นหาความสุขตั้งแต่เกิดนะจนกระทั่งตายตั้งแต่เด็กๆก็คิดว่าถ้าเรียนหนังสือจบจะมีความสุขนี่อยากได้ความสุขเรียนหนังสือจบแล้วนะก็ต้องทํางานไม่มีความสุขอีกก็คิดว่าถ้าทํางานตําแหน่งใหญ่ๆแล้วไม่ต้องทําเองละนะสั่งลูกน้องแล้วคงมีความสุขกลาเป็นเครียดหนักกว่าเก่าอีกนะคิดว่ารวยแล้วจะมีความสุขรวยแล้วมันก็ไม่มีความสุข คิดว่ามีมีสวยสวยมีสามีดีๆจะมีความสุขนะมันก็ไม่สุขจริงเท่าไหร่คิดว่ามีลูกแล้วจะสุขมันก็ไม่ค่อยจะสุขอีกนะมันทุกข์ซะอีกนะสุดท้ายนะตอนถึงตอนแก่เจ็บป่วยบ่อยๆหวังว่าวันไหนไม่เจ็บไม่ป่วยจะมีความสุขนะก็ยังหาความสุขไม่ได้อยู่ดีจนถึงวันตายนะเจ็บหนักทุรนทุรายก็ยังคิดอีกตายซะได้ซะทีคงมีความสุขหาความสุขไปจนวันตายนะยังหาความสุขที่แท้จริงไม่ได้เลย จิต ท, ที่เดี่ยวดิ้นหาความสุขไปเรื่อยนี่นมันฟุ้งซ่านนะเพราะงะั้นถ้าเราอยากทําสมาธิให้จิตมันสงบนะสมาธิให้จิตสงบเนี่ยเราน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์ที่มันมีความสุขเรามาสํารวจใจตัวเองถ้าเราพุโทโธพุโทโธแล้วเรามีความสุขนะเราก็พุโทโธไปด้วยจิตอยู่กับพุโทโธจิตไม่หนีไปที่อื่นจิตก็มีความสุขนะจิตก็สงบเราดูท้องพองยุบเรารู้ลมหายใจเราขยับมือทําจังหวะหรือเราเดินจงกรม ถ้าทำแบบไหนมีความสุขเราก็ทำอย่างนั้นพอจิตใจมีความสุขจิตก็ไม่ดิ้นพล่านไปหาอารมณ์อื่นๆการที่จิตจับจดไปในอารมณ์นั้นทีหนึ่งอารมณ์นี้ทีหนึ่งนั่นแหละจิตฟุง้งซ่านการที่จิตแนว่วแน่อยู่ในอารมณ์มันเดียวนะั้นได้สมถะได้สมาธิชนิดสงบแต่ลําพังสมาธิที่สงบเนี่ยยังเดินปัญญาไม่ได้สมาธิที่สงบนั้นเอาไว้พักผ่อนจิตใจให้มีเรี่ยวมีแรงเท่านั้นสมาธิมันมี2ชนิดชนิดที่1เนี่ยจิตสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียว เอาไว้ทําสมาถะกรรมฐานสมาธิชนิดที่2ชื่อว่าลักขณูปนิชานจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตไม่ใช่ไปตั้งอยู่ที่ตัวอารมณ์นะไม่ใช่ไปนิ่งอยู่ที่ตัวอารมณ์แต่ว่าจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตรู้เนื้อรู้ตั ว, ตวอยู่พูดภาษาไทยง่ายๆนะสมาธิชนิดนี้ก็คือสมาธิที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนั่นเองไม่ลืมกายไม่ลืมใจถ้าเมื่อไหร่เราใจลอยนะก็เรียวกว่าขาดสมาธิชนิดนี้แล้วแต่ว่าบางคนใจลอยไปอยู่กับลมหายใจเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจ ได้สมาธิชนิดแรกสงบอยู่ในอารมณ์เดียวคือลมหายใจแต่จิตไม่ตั้งมั่นอย่างนั้นก็ยังเจริญปัญญาไม่ได้ไปดูท้องพองยบจิตไหลไปอยู่ที่ท้องสงบอยู่ที่ท้องได้แต่ความสงบจิตไม่ได้ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาไม่ใช่คนดูนะไม่สามารถเจริญปัญญาได้สมาธิที่จิตสงบในอารมณ์เดียวเรียกอ้าอารัมมนูปนิชฌานใช้ทาสมถกรรมฐานเอาไว้พักผ่อนจิตให้มีเรี่ยวมีแรงให้สดชื่น สมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นคนดูเห็นปรากฏการของรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยจิตใ จ, จตั้งมั่นเป็นแ ค, นค่ผู้รู้ผู้ดูอยู่นี่สมาธิอย่างนี้ใช้ทํำวิปัสสนากรรมฐานและในขณะที่เกิดอริยมรรคในเกิดอริยผลนั้นก็จะต้องมีสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตเพราะเวลาที่เกิดอริยมรรคนั้นตัดกิเลสนั้นตัดกันที่จิตนี่เองเพราะฉะนั้นจิตสมาธินะต้องอยู่ที่จิต สมาธิที่จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตนี่เป็นสมาธิสําคัญนะคนศาสนาอื่นที่คนในคําสอนอื่นๆไม่มีมันเป็นคําสอนเฉพาะของพระพุทธเจ้าสมัยเจ้าชายสิทธัตถะเด็กๆตอนเด็กๆอายุ3าขวบได้มีงานแลกหนะักหวัญพวกพี่เลี้ยงก็ไปดูพระเจ้าสุดโทธนะไถนาพ่อของพระเจ้าชายสิทธัตถะเจ้าชายสิทธัตถะอยู่คนเดียวใต้ต้นไม้ ท่านก็ลุกขึ้นนั่งสมาธิหายใจไปด้วยความรู้สึกตัวจิตได้ปฐมฌานบารมีท่านแก่กล้ามากแล้วนะท่านสะสมบารมีมามากจิตท่านตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะมีวิตกวิจารปีติสุขมีความเป็นหนึ่งจิตตั้งมั่นเสร็จแล้วท่านก็ลืมสภาวะอันนี้นะท่านก็ไปอยู่กับโลกจนกระทั่งอายุ29ปีออกไปบวช ออกไปบวชสิ่งแรกที่ทํมันก็เหมือนพวกเราเวลาคิดถึงการปฏิบัตินั่นแหละสิ่งแรกที่พวกเราทําเวลาคิดถึงการปฏิบัติก็คือไปนั่งสมาธิเจ้ชาชายสิทธ า, ทาเขาคิดเหมือนที่เราคิดนั่นแหละท่านลืมสมาธิของเดิมไปแล้วก็ออกไปฝึกกระลือสีไปนั่งสมาธินะจนถึงอรูปฌานเรียนอยู่ไม่กี่วันก็ทาสาเร็จจิตแน่วอยู่ในอารมณ์อันเดียวคือแน่วอยู่ในความว่างความไม่มีอะไรเลยนะ ไปสงบอยู่งั้นสบายลืมแทบจะลืมตัวเองไปเลยแล้วท่านก็รู้ว่าไม่ใช่ทางพ้นทุกข์หรอกนั่งสมาธิจนถึงฌานที่8แต่เป็นฌานที่8ที่จิตออกไปอยู่ที่ตัวความว่างจะอยู่ที่ตัวอารมณ์ไม่ใช่สมาธิเพื่อความพ้นทุกข์ท่านก็ลาออกอยากสำนักอาจารย์นะเที่ยวไปสแสวงหาทางปฏิบัติเอาเองก็เที่ยวไปทรมานร่างกายนะท่านคิดว่าเนี่ยมาฝึกใจแล้วไม่สําเร็จก็มาฝึกร่างกายบ้างอยากกินไม่กินอยากนอนไม่นอนนะ แกล้งมันสารพัดเลยหวังว่าวันหนึ่งจะชนะกิเลสก็ไม่ชนะอีกถึงวันที่ท่านใกล้ที่จะบรรลุพระอรหันต์นะท่านาระลึกถึงของเก่าได้นะท่านก็รู้เลยว่าการที่ท่านน้อมใจไปนะให้นิ่งให้ว่างเอาแต่ความสุขความสบายนะจิตใจมันตามกิเลสไปน้าสนองกิเลสนะหาแต่ความสุขความสบายการที่มาทรมานตัวเองนะก็ตึงเครียดเกินไปทางสายกลาง มันเป็นของเก่าที่ท่านเคยสร้างมาแล้วเคยพัฒนามาแล้วท่านก็กลับมาหายใจด้วยความรู้สึกตัวไม่ใช่หายใจแล้วส่งจิตไปอยู่ที่ลมหายใจแล้วนะแต่หายใจด้วยความรู้สึกตัวจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตเข้าฌานที่1 2ึ่งตรงฌานที่สองนะจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาเพราะจิตละวิตกวิจารณ์วิตกคือการที่จิตนี่ไปตรึกในแสงสว่างนะวิจารณ์คือจิตเข้าเคลียร์อยู่ในแสงสว่างของปฏิภาคนิมิต เวลาทำอาณาปนสติน้ำจะสว่างขึ้นมาแล้วจิตไปจับอยู่ที่ตัวสว่างเนี่ยยังไม่ได้จิตตัวรู้ขึ้นมานีพอจิตคลายออกจากการจับนะไม่ไม่มีวิตกพิจาร์ไม่ตรึกไม่ตรองในดวงปฏิภาคนิมิตแสงสว่างนะจิตทวนเข้าหาจิตนะจิตตั้งมั่นงั้นในตำราในพระเตปิโดกนะ์นท่าจะพูดถึงสภาวะชนิดหนึ่งชื่อเรียกว่าเอโกทิภาวะเอโกทิภาวะก็คือในตำรานะจะปแปลว่าสมาธิแต่เราก็งงนะ ปฐมฌานก็เป็นสมาธิอยู่แล้วนะทำไมพอมาถึงฌานที่2มีเอโกทิภาวะก็บอกมีสมาธิอธิบายไม่ได้นะถ้าไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยไม่เข้าใจเลยว่ามันไม่เหมือนกันสมาธิที่จิตจับอยู่ที่อารมณ์เนี่ยเป็นอันหนึ่งนะสมาธิที่จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิต เ, เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่มันเป็นอีกสมาธิหนึ่งนะสมาธิมี2แบบนคนไม่ได้ศึกษาปฏิบัติจริงๆไม่รู้หรอก ทุกวันนี้ที่นั่งสมาธิกันนั่นก็มีแต่จิตเคลื่อนไปอยู่ที่อารมณ์กันทั้งนั้นเกือบร้อยละร้อยเลยนะไอ้ที่จิตตั้งมั่นขึ้นมานี่หายากมากเราจะต้องมาฝึกนะให้จิตตั้งมั่นขึ้นมาให้ได้ถ้าเราไปดูพจนานุกรมอะไรอย่างนี้นะเราจะเห็นเลยว่าคําว่าสมาธิเนะี่ยไม่ได้แปลว่าสงบสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นนะเราจะไปแปลมั่วๆนั้วนะว่าสงบสงบเออก็จะสงบสงบมันก็เหมือนเรานอนพักผ่อน นอนมากนะไม่ทํามาหากินมันจะรวยได้ยังไงน้อมจิตให้สงบนิ่งอยู่เฉยเลยไม่เจริญวิปัสสนากรรมฐานมันจะเกิดปัญญาได้ยังไงก็ไม่เกิดหรอกก็นิ่งอยู่แค่นั้นเองงั้นเราจะต้องมาฝึกจิตให้ได้สมาธิอย่างที่สองให้ได้วิธีฝึกนะทำกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาเช่นพุโทโธก็ได้รู้ลมหายใจก็ได้ดูท้องของยุบก็ได้จะขยับมือทําจังหวะก็ได้จะเดินจงกรมก็ได้ แต่ไม่ได้ทำเพื่อให้จิตไปนิ่งอยู่ที่พุทโธไม่ได้ทำเพื่อให้จิตไปนิ่งอยู่ที่ลมหายใจไม่ได้ทำให้จิตไปนิ่งอยู่ที่ท้องที่เท้าที่มือแต่ทำแล้วคอยรู้ทันจิตนี่แหละคือบทเรียนที่ชื่อจิตสิกขาเราพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดเรารู้ทันเรารู้ลมหายใจจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไปเพ่งอยู่ที่ลมหายใจเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ทัน ดูท้องฟองยกจิตหนีไปคิดรู้ทันนะจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ท้องรู้ทันเดินจงกรมจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตเคลื่อนไปอยู่ที่เท้าเคลื่อนไปอยู่ที่ร่างกายรู้ทันถ้าเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นโดยอัตโนมัติเพราะจิตที่เคลื่อนไปนั้นเป็นจิตฟุ้งสั้นฟุ้งไปหาอารมณ์นั่นเองนะเพียงแต่มันฟุ้งไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวก็ถือว่าฟุ้งเหมือนกันหลวงปู่ดูลเรียกว่าจิตออกนอกถ้าจิตออกนอกนะจิตไม่ตั้งมั่นจิตไม่ถึงฐานเจริญปัญญาไม่ได้จริง งั้นตัวนี้เป็นตัวแตกหักตัวแรกเลยนะว่าเราจะได้มักได้ผลในชีวิตนี้หรือไม่คือเรามีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหรือไม่ถ้าเรามีแต่จิตเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งหรือเป็นจิตผู้เพง่งอารมณ์อยู่นิ่งๆอันเดียวไม่มีทางทำให้ปันสนาเลยนะงั้นถ้าจิตหลงตามกิเลสเนี่ยหย่อนไปนะถ้าจิตเพง่งตัวเองนิ่งอยู่แข็งแข็งทื่อๆอยู่นะตึงเกินไปใช้ไม่ได้นะงั้นเรามาหัด คอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปพุโทโธพุโทโธจิตเคลื่อนไปรู้ทันหายใจไปจิตเคลื่อนไปรู้ทันหลักก็คือทํากรรมฐานขึ้นมาสักอย่างหนึ่งแล้วจิตหนีไปคิดให้รู้ทันจิตเคลื่อนไปให้รู้ทันตัวนี้แหละจะทําให้เราได้สมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาถ้าเราไม่มีสมาธิอย่างนี้นะเราไม่สามารถจะเจริญปัญญาได้เรานั้นพวกเราต้องฝึกนะอยู่ๆมันไม่เป็นหรอกทุกอย่างต้องฝึกต้องทําอย่ามาอ้อนวอน ขอหลวงพ่อให้ช่วยให้เราจิตตั้งมั่นถึงฐานเป็นไปไม่ได้ต้องฝึกเอาเองนะถ้าไม่ฝึกก็ไม่ได้กินหรอกหวังจะได้มรักได้ผลนั้นะไปใส่บาตรให้ขันทะลุเลยก็ไม่ไม่ได้อะไรนะไม่ได้มรักผลอะไรหรอกจะทําอะไรนะั่นไปนั่งสมาธิจนก้นโ ก, กบแตกก็ไม่ได้นั่งไม่ได้ปัญญาขึ้นมาหรอกไม่พ้นทุกหรอกงั้นต้องมาฝึกให้จิตได้สมาธิชนิดที่รู้สึกตัว สมาธิที่รู้สึกตัวเนี่ยมันจะคล้ายๆจิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวไ ม, ไ, ไม่หลงไปไม่ไหลไปพวกคนในโลกนี้นะมันหลงตลอดเวลานะตื่นนอนขึ้นมามนก็หลงไปอดีตหลงไปอนาคตหลงไปคิดเรื่องนอนหลงไปคิดเรื่องนี้หลงไปคิดถึงคนอื่นหลงไปคิดถึงสิ่งอื่นมีร่างกายลืมร่างกายมีจิตใจลืมจิตใจการที่จิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวการที่เราลืมกายลืมใจนั่นแหละเรียกว่าไม่มีสมาธินะ เพราะันต้องมีจิตใจที่อยู่กับเนื้อกับตัวแบบสบายๆด้วยไม่ใช่บังคับแบบรู้สึกเหมือนยังกระห่นย น, นยีอย่างนี้บอกจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนี้ตึงเกินไปเครียดไปตรงนี้ตัวสำคัญนะถ้าทำไม่ได้ก็ยังเจริญวิปัสสนากรรมฐานไม่ได้เราต้องมาฝึกเจริรทั้งใจของเราเนี่ยเบาอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ เมื่อจิตใจเรามีสมาธิที่ถูกต้องแล้วนะก็ถึงขั้นที่จะต้องโน้มน้อมจิตไปเพื่อให้เกิดยานทัศนะคือให้เกิดความรู้ถูกเข้าใจถูกในธาตุในขันของตัวเองลำพังมารู้สึกตัวอยู่เฉยๆเป็นสมาธิเท่านั้นเองเรียกว่าลาคขณูปนิชานเข้าฌานที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8้เหมือนได้เหมือนกับสมาธิเพ่งอารมณ์นั่นแหละแต่สมาธิเพ่งอารมณ์ไมได้เข้าฌานนะจิมอยู่ข้างนอก ถารักขณูปนิชาเนี่ยจิตอยู่ที่จิตนั้นก็เข้าฌาน1 2 3่งสองได้เหมือนกันแต่ว่าที่ตั้งมันไม่เหมือนกันน้าตั้งกันคนละที่อันนึงตั้งที่อารมณ์อันนึงตั้งอยู่ที่จิตแต่อยู่ที่จิตก็ไม่ได้บังคับให้อยู่นะเอาแค่ว่าเคลื่อนไปเรารู้เคลื่อนเรารู้นี่แหละเราจะได้สมัครที่อย่างนี้แล้วยัมารู้อยู่เฉยๆยังไม่ได้นะรู้ตัวอยู่เฉยๆเนี่ยยังไม่ได้เดินมิปัสสนายังไม่ได้เจริญปัญญานะต้องมาเจริญปัญญา การเจริญปัญญานะเบื้องต้นที่สุดนะต้องแยกธาตุแยกขันให้เป็นหลวงตามหาบัวเคยพูดนะว่าถ้าแยกธาตุแยกขันไม่เป็นอย่ามาคุยอวดเรานะว่าเจริญปัญญานะไม่ได้ทําเจริญปัญญาเลยนะถ้าแยกธาตุแยกขันไม่เป็นแยกธาตุแยกขันเป็นยังไงนะเราก็มาฝึกนะพอใจของเราเป็นคนดูแล้วเราคอยรู้สึกลงในร่างกายนี้แหละเราก็จะเห็นว่าร่างกายมันนั่งอยู่เห็นร่างกายมันพยักหน้าเห็นร่างกายมันขยับไม้ขยับมือเก่าโน่นเกานี่นะ เห็นร่างกายมันหายใจออกเห็นร่างกายมันหายใจเข้าจิตของเราเป็นแค่คนดูตัวน okay. ี้แหละที่เรามีจิตเป็นคนดูเนี่ยนะแล้วเราจะเห็นกายกับจิตเนี่ยเป็นคนละอันกันถ้าจิตเราไม่เป็นคนดูเวลาไปดูกายจิตจะไหลเข้าไปรวมที่ร่างกายจิตกับกายไปรวมเป็นอันเดียวกันนะไม่เกิดปัญญาแต่ถ้าจิตตั้งมั่นมันจะเห็นว่ากายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งจะรู้ทันทีเลยร่างกายเนี่ยไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้ามันเหมือนเปลือกมันเหมือนถ้าเหมือนคูหา เหมือนบ้านให้จิตมาอาศัยอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวแล้วจิตก็ทิ้งร่างกายนี้เน่าตายไปนะนี่เราค่อยๆมาดูเราจะเห็นว่ากายกับจิตเป็นคนละอันกันถ้าเห็นอย่างนี้ได้เราก็จะเริ่มเกิดปัญญาเราก็จะเห็นว่าร่างกายนั้นไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่วัตถุธาตุนะหรือบางคนก็มีปัญญาเห็นร่างกายเป็นตัวทุกข์ร่างกายนั่งอยู่นะก็มีความทุกข์บีบคั้นต้องขยับไปขยับมามันเมื่อยเปลี่ยนอิเดียบทไปเรื่อยๆ หรือร่างกายหายใจออกนะก็หายใจออกแก้ทุกข์ร่างกายหายใจเข้าก็หายใจเข้าแก้ทุกข์พวกเราลองหายใจออกเรื่อยๆอย่าหายใจเข้าสิแล้วจะรู้ว่าทุกข์นะจะเห็นทุกข์อย่างฉับพลันเลยลองหายใจไปสิหายใจออกอย่างเดียวเสร็จแล้วเราก็ทนไม่ได้เราก็ต้องหายใจเข้าเพื่อแก้ทุกข์ทุกอะไรทุกของการหายใจออกพอหายใจเข้ามากๆนะก็ทุกข์อีกแล้วนะต้องหายใจออกแก้ทุกข์ของการหายใจเข้าอีก เนี่ยเรามาดูนะร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์นะมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเลยหายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกขทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนทุกทั้งนั้นเลยเนี่ยร่างกายเนี่ยเราจะเป็นของที่เราดูตัวทุกข์ได้ง่ายส่วนจิตใจล่ะบางคนแยกกายกับจิตไม่ออกนะแยกไม่ออกแต่แยกความรู้สึกได้ยังมีความสุขเกิดขึ้นเรามีจิตตั้งมั่นเป็นคนดูมันจะเห็นว่าความสุขกับจิตเป็นนนนคละอัก ความทุกข์เกิดขึ้นจิตตั้งมั่นเป็นแค่คนดูมันจะเห็นว่าความทุกข์เป็นของแปลกปลอมเข้ามาไม่ใช่จิตหรอกเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาเป็นโคนละนกับจิตจิตเป็นคนดูนะหรือความกุศลทั้งหลายเกิดขึ้นนะเช่นเกิดศรัทธาศรัทธาของเราก็แปรปลุนนะวันนี้ศรัทธาเดี๋ยววันนี้ก็ไม่ศรัทธาเวลานี้มีวิริยะขยันใครเคยเป็นไม้มวันนี้ตั้งใจจะนั่งสมาธิสักชั่วโมงหนึ่งมีความเพียรจิตใจคึกคักอยากปฏิบัติมีวิริยะ นั่งไป5นาทีนะดูนาฬิกาไป6ครั้งอย่างงี้นะวิริยะเริ่มตกแล้วหายแล้วขี้เกียจแล้วสุดท้ายขี้เกียจใช่ไหมวิริยะก็กลายเป็นขี้เกียจไปแล้วนะศรัทธาก็กลายเป็นเสื่อมศรัทธาใช่ไหมเนี่ยเราก็จะเห็นนะกระทั่งของดีธรรมะที่ดีเกิดแล้วเสื่อมได้เกิดแล้วดับได้ ธรรมที problem, em, wind, um. <uh ่ชั่วความโลภความโกรธความหลงนะจิตเราตั้งมั่นเป็นคนดูเราก็จะเห็นว่าความโลภความโกรธความหลงความฟุ้งซ่านความหดหูนะเป็นของที่แปลกปลอมเข้ามาชั่วครั้งชั่วคราวมาแล้วก็หายไปความโกรธเกิดขึ้นแล้วก็หายความโลภเกิดแล้วก็หายนะความสงบเกิดแล้วก็หายความฟุ้งซ่านเกิดแล้วก็หายความหดหูเกิดแล้วก็หายความกดี้กระด้าร่าเริงใจเกิดแล้วก็หายมีแต่เกิดแล้วดับทั้งสิ้นเลย เพราะงั้นการที่เรามาดูจิตดูใจเราจะเห็นความไม่เที่ยงเนี่ยเร็วมากเลยนะเราจะเห็นเลยจิตใจนะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายคุ้มดีคุ้มร้ายตลอดเวลานี่แหละเรียกว่าการเจริญปัญญาการเจริญปัญญาไม่ใช่การฝึกจิตให้นิ่งไม่รวด ร, รับรู้อะไรเลยแต่เป็นการพาจิตให้มาดูความจริงของร่างกายว่าร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์บีบคั้นอยู่พาจิตมาดูความจริงของจิตใจนะเราจะเห็นความไม่เที่ยงเต็มไปหมดเลยนะ สุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวดีก็ชั่วคราวชั่วก็ชั่วคราวมีแต่ของไม่เที่ยงแล้วก็ยังเห็นอนัตตาได้ง่ายการดูจิตดูใจจะเห็นอนัตตาได้ง่ายด้วยเราจะเห็นว่าเราสั่งไม่ได้เราสั่งให้จิตมีความสุขก็ไม่ได้เราห้ามจิตไม่ให้ทุกข์ก็ไม่ได้สั่งจิตให้ดีมันก็ไม่ยอมดีนะจะสั่งว่าอย่าชั่วนะมันก็ชั่วมีไม่เคยตั้งใจแม้ว่าจะไม่โกรธแล้วก็โกรธอย่างฉับพลันเลยสั่งไม่ได้เนี่ยการที่เรามาคอยดูของงจจรรินนนะะเเาห็ จิตใจเต็มไปด้วยของไม่เที่ยงเต็มไปด้วยของบังคับไม่ได้บังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้นี่แหละคือคําว่าอนัตตาเราก็ดูกายนะกายนี้จะเห็นทุก์ได้ชัดจิตนี่ก็จะเห็นอนิจจังได้ชัดนะแล้วก็เห็นอนัตตาได้ง่ายเนี่ยเฝ้าดูลงไปนะสุดท้ายเราก็จะรู้ความจริงว่าทุกอย่างในชีวิตเราเนี่ยที่ผ่านเข้ามานะในร่างกายนี้ก็มีแต่ของชั่วคราวในจิตใจก็มีแต่ของชั่วคราวสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดา ถ้าเราเห็นได้ถึงขนาด น, นี้เราจะได้ธรรมะพระโสดาบันไม่ใช่คนมนุษย์ประหลาดไม่ใช่คนที่บังคับจิตให้นิ่งให้ว่างอยู่ตลอดวันตลอดคืนพระโสดาบันก็คือคนอย่างพวกเรานี่แหละแต่ว่ามีปัญญาฉลาดรู้ความจริงแล้วนะว่าทุกอย่างที่ประกอบกันขึ้นเป็นตัวเราเนี่ยไม่มีตัวมีตนที่แท้จริงนะเป็นสภาวะรูปธรรมบ้างนามธรรมบ้างเป็นของที่อยู่ชั่วคราวแล้วก็แตกสลายไปทั้งสิ้นเลยจะเป็นร่างกายนะ ร่างกายหายใจออกอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปเป็นร่างกายหายใจเข้าเป็นต้นนะร่างกายยืนเดินนั่งนอนนี่ก็เปลี่ยนไปเรื่อยจิตใจเป็นสุขเป็นทุกข์จิตใจดีจิตใจร้ยาย leer. ก็เป็นของชั่วคราวไปหมดถ้าเมื่อไร่ใจเรายอมรับความจริงได้นะว่าทุกอย่างในชีวิตเราเป็นของชั่วคราวเราจะได้ธรรมะเบื้องต้นเป็นพระโสดาบันเห็นความจริงแล้วร่างกายก็ของชั่วคราวจิตใจทั้งหมดและความรู้สึกที่เกิดร่วมกับจิตใจก็เป็นของชั่วคราวทั้งหมดก็เป็นพระโสดาบัน เป็นพระโสดาบันมันดียังไงเป็นพระโสดาบันเนี่ยนะเราเริ่มเข้าใจโลกตามความเป็นจริงแนละต่อไปร่างกายจะแก่นะมันก็ยอมรับความจริงได้นะว่าร่างกายมันไม่เที่ยงมันต้องแก่น่ะร่างกายจะเจ็บมันก็เรื่องธรรมดามันต้องเจ็บร่างกายจะตายมันก็เรื่องธรรมดาใช่ไหมใจมันยอมรับว่าเป็นธรรมดาแล้วจะต้องมาพลัดพรากจากสิ่งที่รักมันก็เรื่องธรรมดาจะเจอสิ่งที่ไม่รักเป็นครั้งเป็นคราวมันก็เรื่องธรรมดา อะไรๆมันก็เรื่องธรรมดาไปหมดเลยเพราะเราเข้าใจคำว่าธรมาธรมดาธรรมดานนแหละใจเข้าถึงธรรมะนะจะรู้เลยว่าธรรมดามันเป็นอย่างเนี้ยเราไปอยากให้มันผิดธรรมดานะเป็นความอยากลมๆแรงๆเช่นอยากไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายอยากไม่ให้พลัดพรากจากสิ่งที่รักอยากให้เจ็ประสบแต่สิ่งที่รักอย่างเดียวอะไรอย่างนี้เป็นความอยากที่ไร้เดียงสานะถ้าเรารู้ความจริงว่าธรรมดามันเป็นอย่างนี้แหละธรรมดามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มันไม่ได้สมอยากหรอกนะ ใจยอมรับได้นะมันจะไม่ทุกข์มากนะถ้าใจยอมรับไม่ได้มันจะทุกข์มากถ้าใจได้ธรรมะเบื้องต้นนะต่อไปก็ภาวานาไปเบื้องต้นจะเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับหมดเลยนะรูปประธรรม ท, ทุกชนิดเกิดแล้วก็ดับนมามธรรมทุกชนิดเกิดแล้วก็ดับจะเห็นอย่างนี้ได้เป็นพระโสดาบันนะรู้ว่าทุกอย่างเป็นอย่างนี้แหละเป็นไปนตามเหตุไม่ใช่ตามเราสั่งต่อไปเราก็จะมาเรียนรู้อย่างเดิมนะมีสติรู้กายรู้ใจอย่างที่เขาเป็นเรื่อยไปนะ ต่อไปเราก็จะมีปัญญาแก่กล้าขึ้นเรียะเห็นความจริงลึกซึ้งขึ้นว่าสิ่งที่มีอยู่นะั้นะมีแต่ตัวทุกข์แต่เดิมเราเห็นว่าตัวเรานี้เป็นของดีของพิเศษนะตอนที่ได้โสดาเรารู้ว่าตัวเราไม่มีมีแต่รูปธรรมนามธรรมา ท, ที่เกิดดับไปเรื่อยๆตรงที่จะบรรลุพระอรหรนันต์เราจะเห็นว่าตัวรูปธรรมนามธรรมานั่นแหละเป็นตัวทุกข์นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไป ถ้าเห็นอย่างนี้ได้จะหมดความยึดถือในรูปธรรมนามธรรม ท, ทั้งหลายนะโดยเฉพาะการยึดถือจิตถ้าเรายึดถือจิตอยู่เราก็ยังเกิดอีกมีจิตดวงเดียวนะจิตดวงเดียวมันเหมือนเมล็ดของต้นไม้เหมือนเมล็ดมะม่วงเหมือนเมล็ดข้าวเปลือกอะไรเงี้ยไปงอกขึ้นมาเป็นต้นไม้ใหม่ขึ้นมาได้อีกจิตดวงเดียวนี้แหละก็ไปพัฒนาเกิดเป็นขันห้าขึ้นมาได้อีกกลับมาเวียนว่ายตายเกิดได้อีกนั่นเราต้องมาทําลายเชื้อเกิดในจิตของเรานะคือความไม่รู้คือตัววิชา ถ้าเมาื่อไรเราเห็นความจริงว่าตัวจิตเป็นตัวทูกข์ล้วนๆแล้วก็เราทําลายเชื้อเกิดสําเร็จแล้วนะยังไม่ต้องเียนว่ายตายเกิดอีกแล้วชีวิตที่เหลืออยู่ยังไม่ตายธาตุขันยังไม่แตกไม่ดับชีวิตที่เหลืออยู่นะเป็นชีวิตที่มีความสุขมากเลยกลางวันกลางคืนมีความสุขเป็นความสุขที่จิตใจพ้นจากความเสียดแทงจิตใจของเรานะถึงจะมีความสุขก็เป็นความสุขที่มีการเสียดแทงเป็นความสุขที่ยิงอาศัยสิ่งอื่นอิงอาศัยผู้อื่นตลอดเวลานะ เป็นความสุขที่พึ่งตัวเองไม่ได้อย่างเราต้องมีแฟนเราถึงจะมีความสุขเราต้องมีเงินเราถึงจะมีความสุขต้องมีนั่นต้องมีนี่ต้องไม่มีนั่นต้องไม่มีนี่ถึงจะมีความสุขแต่ถ้าเราภาวนาจนใจมันแจ้งเข้าใจความจริงของธาตุของขันธ์ของกายของใจแล้วมีความสุขอยู่ในตัวเองนะทั้งวันทั้งคืนมันเต็มมันอิ่มอยู่ได้ตัวของมันเองนะพอจะฝึกไหวไหมเบื้องต้นจะทํำยังไงทําไงดี ถือศีล5้างลืมแล้วเพราเทศยาวหน่อยเดียวลืมไปหมดละตั้งใจรักษาศีล5้าศีลห้าไม่ต้องไปขอที่พระศีล5้าให้ตั้งใจรักษาเอานะการที่เราไปขอศีลห้ากับพระคนสมัยพุทธกาลบางคนเขาไม่รู้จักว่าศีลห้าในพุทธศาสนาคืออะไรก็ไปถามพระพระบอกศีล5้าใหนะ้พวกเราทุกคนรู้จักแล้วศีล5้าเป็นยังไงเราก็ตั้งใจรักษาเอา แต่การที่มาบอกกับพระนะคล้ายๆมีพยานมาปฏิญาณตัวว่าหลวงพ่อจำไว้นะว่าหนูจะถือศีลห้าหลวงพ่อหันมาอีกทีเอ้าหนูเมาส์แตกไปแล้วเหลือศีลสี่แล้วศีลหาล้าหายไปแล้วบางคนนั่งฟังเทศนะคุยไปเรื่อยยงกัดตกปุ๊บหายไปอีกข้อถือศีลมักง่ายไม่ได้กินหรอกตั้งใจรักษาศีล จะถือศีลได้ดีนะถ้ารักษาจิตมีสติรู้ทันจิตไว้จะไม่ผิดศีลศีนันตโนมัติจะเกิดควรทาผิดศีลได้เพราะกิเลสครอบงําจิตอย่างความโกรธครอบงําจิตนั้นก็ไปฆ่าเขาไปตีเขาไปด่าเขาไปทําลายทรัพย์สินเขาไปแกล้งเป็นชู้กับเมียเขาไปหลอกลูกสาวเขาทําไปด้วยโทสะมีราคาขึ้นมานั้นก็ไปฆ่าเขาก็ได้ไปแนะย่งสมบัติเขาไปปลิ้นปล้อนหลอกลวงก็ไดนะ้ไปจีบคนลุก ไม่ใช่คนของเราเราไปจีบอีกะอะไรเงี้ยผิดศีลขึ้นมาก็เพราะกิเลสตรงนั้นถ้าเรามีสติรู้ทันกิเลสเกิดที่จิตเรารู้ทันศีลมันหมาเองถือง่ายศีลกี่ข้อก็ถือง่ายหมดมแต่ถ้าเบื้องต้นนี่ก็ต้องข่มใจไว้ก่อนเรายังมีสติไม่ไวพอนะเสือแว บ, บเดียวก็ทําผิดศีลแล้วสติเราคุ้มครองจิตไม่ทันนะสติอ่อนเราก็ตั้งใจ คล้ายๆเราปลกแกรมจิตไว้ก่อนตื่นนอนมาก็ตั้งใจว่าวันนี้รักษาศีล5ก่อนจะกินข้าวกลางวันก็ตั้งใจจะรักษาศีล5เผื่อข้าวติดคอตายจะได้ตายกับศีลห้านะก่อนนอนก็ตั้งใจรักษาศีลหจะนอนแล้วรักษาทําไมเผื่อตายตอนนอนนะจะได้ตายแล้วบอกยมบาลได้ว่ายึดถือศีลอยู่นะตอนที่ตายนะจะได้ดนะีเนี่ยตั้งใจรักษาไปเบื่อต้นตั้งใจนะ ต่อไปสติเร็วไม่ต้องตั้งใจเป็นสีนอัตโนมัติขึ้นมาสมาธิก็เหมือนกันแรกๆก็ต้องตั้งใจหัดพุทโธหัดหายใจหัดดูท้องฟองยุบหัดอะไรไปแล้วจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้ต้องหัดต่อไปสมาธิอัตโนมัติมันเกิดนะจิตขยับตัวคลิกเดียวนะสติระลึกปั๊บเนี่ยจิตตั้งมั่นโดยอัตโนมัติเลยสมาธิง่ายมากเลยน ะ, ะสมาธิอัตโนมัติจะเกิด ปัญญาก็เหมือนกันต้องหัดแยกธาตุแยกขันธ์นะบางคนมีบารมีเก่าพระจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานขันธ์แยกเลยเห็นร่างกายอยู่ส่วนร่างกายความสุขความทุกข์อยู่ส่วนความสุขความทุกข์กุศลอกุศลอยู่ส่วนกุศลอกุศลจิตอยู่ส่วนจิตนี่แยกเลยถ้าไม่แยกก็ต้องช่วยมันนั่งไปแล้วก็ดูไปนั่งไปแล้วก็เห็นร่างกายมันนั่งใจเราเป็นคนดูค่อยๆฝึกไปนั่งนานๆมันปวดมันเมื่อยอย่าเพิ่งขยับ อังก็ดูไปความปวดความเมื่อยกับร่างกายเป็นคนละอันกันจิตเป็นคนดูความปวดความเมื่อยก็เป็นของถูกดูปวดเมื่อยมากๆจิตกระสับกระส่ายนะก็เห็นอีกความกระสับกระส่ายกับความปวดเมื่อยมันก็คนละอันกันความกระสับกระส่ายไม่ใช่กายด้วยไม่ใช่จิตด้วยเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามานะนี่หัดแยกไปได้นะในสุดจะแยกขันได้ตัวร่างกายก็เป็นตัวรูปประขันความปวดความเมื่อยนี่เป็นเวทนาขันความทุรนทุรายของจิตเรียกสังขารขัน ความรับรู้ก็คือตัวรู้ตัวจิตนั่นแหละเรียกว่าวิญญาณขันเพราะแยกขันได้แล้วก็จะค่อยๆเห็นขันแต่ละขันนันตกอยู่ใต้ใจหลักค่อยดูอย่างนี้นะทำลายความเป็นตัวเป็นตนได้เหมือนมีรถยนต์คันหนึ่งนะดูยังไงก็เป็นรถยนต์ต้องจับมาถอดเป็นชิ้นๆ น, นะลูกล้อก็ไม่ใช่รถยนต์นะกันชนก็ไม่ใช่รถยนต์นะตัวถังหลอดไฟที่ปัดน้ําฝนเลยไม่ใช่รถยนตนะ์ เราก็มาแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆแยกเป็นขันๆนะสุดท้ายจะเห็นว่าไม่มีตัวเราหรอกน ะ, ะได้ธรรมมาเป็นลำดับดบไปไม่มีตัวเราสิ่งที่มีคือตัวทุกสุดท้ายจะเห็นอย่างนี้นะหนีไม่พ้นหรอกยังไงธรรมมาก็ต้องลงมาตรงนี้นะยั ง, ยงไงยังไงยังไงก็ต้องมาเห็นเห็นทุกอยู่ดีไม่เห็นทุกไม่เห็นธรรมนะก็เห็นทุกเห็นธาตุเห็นขันนีแหละเป็นตัวทุก ถ้เห็นได้นะล ะ, ละสมุทรไทยแจ้งพนันิพานในขณะจิตเดียวนะไม่ได้ยากเย็นอะไรหรอกนะละพอสมควรนะกล่ามามัสการพระอาจารย์ค่ะมีคนถามว่าจิตส่งออกเป็นอย่างไรคะและเมื่อจิตคิดไปเมื่อรู้ว่าจิตคิดไปแล้วจิตไปอยู่ที่ไหนหลังจากรู้ว่าคิดแล้วมีที่ตั้งไหมคะ <c oughs> กล่าวนมัสการาด้วยความคารว เอาใหม่ถามยาวหลวงพ่อลืมไปแล้วเอาทีละข้อถามตั้งสามอันจิตส่งออกจิตส่งออกก็คือจิตที่มันไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะอย่างตอนนี้ใครเป็นคนถามอันเนี้ยมีไหมอ้ก็ฝากมาคนนั่นถามเหรอสังเกตไหมอย่างเวลาฟังหลวงพ่อเทศอยู่เนี่ยบางทีก็มองหน้าหลวงพ่อนะเวลามองหน้าหลวงพ่อใจมันอยู่ที่หลวงพ่อด้วยนี่จิตด อ, อกนอกนะออกไปทางตา เวลาฟังเนี everyone, ่ยไม่ได้ฟังเวลานั่งฟังไม่ได้แค่ดูหน้าหลวงพ่ออย่างเดียวตั้งใจฟังด้วยตอนที่ตั้งใจฟังนะเรามีกายเราก็ลืมเรามีใจเราก็ลืมจิตเราไปจดจ่ออยู่ที่เสียงอันนี้จิตส่งออกทางหูเราไม่ได้ฟังอย่างเดียวไม่ได้ดูแค่นั้นนะไม่ได้แค่ดูแค่ฟังแต่เราฟังไปคิดไปสังเกตไหมไม่ได้ฟังอย่างเดียวแต่ฟังไปคิดไปตรงที่ใจไปคิดนะเรามีกายเราก็ลืมกายมีใจเราก็ลืมใจเนี่ยสิจิตส่งออกไปทางใจ เวลาส่งทางตาเช่นเราเห็นคนเดินอยู่ริมถนนสวยๆนะเราก็ส่งใจไปดูเราไปดูเขาอ่ะตัวเรามีเราลืมตัวเราเองใจเราไปอยู่ที่เขานั่นแหละเนี่ยจิตส่งออกนอกส่งไปทางตาก็ได้ส่งไปทางหูก็ได้ส่งไปทางใจก็ได้ส่งไปทางใจส่วนใหญ่ส่งไปคิดสังเกตไหมเดี๋ยวหลวงพ่อจะหยุดพูดนะตรงที่หลวงพ่อหยุดพูดปุ๊บเนี่ยพวกเราสังเกตจิตของเราจิตเราจะหนีไปคิดทันทีเลยดูออกไหมจิตไปคิด ตรงที่จิตไหลไปคิดใช่ไหมพอไปรู้เรื่องราวที่คิดปุ๊บมีกายก็ลืมกายนะมีใจก็ลืมใจเมื่อไหร่ลืมกายลืมใจนะนะั่นแหละจิตส่งออกนอกเต็มเต็มภูมิแมมล้วเต็มที่ละเอาข้ อ, อ2และเมื่อจิตคิดไปเมื่อรู้ว่าคิดจิตไปอยู่ที่ไหนจิตไม่มีที่อยู่หรอกจิตที่คิดก็เป็นดวงหนึ่งนะเรามีสติรู้ทันว่าจิตดวงตะกี้คิดไอ้จิตดวงที่คิดมันดับไปแล้วไม่เกิดจิตที่รู้สึกตัว จิตที่รู้สึกตัวอยู่ชั่วคราวแล้วมันก็ดับหิมกลายเป็นจิตคิดก็ได้เป็นจิตดูก็ได้เป็นจิตฟังก็ได้นะเพราะฉะนั้นจิตเกิดที่ไหนดับที่นั่นแหะเกิดที่ตาดับที่ตาเกิดที่หูดับที่หูเกิดที่ใจก็ดับที่ใจหลวงพ่อเคยถามหลวงปู่ดูลนะตอนนั้นหลวงพ่อภาวนาหลวงพ่อเห็นมันไหวยิบยๆยบยอยู่กลางหน้าอกเนี่ยอยู่ตรงลิ้นปีนะกิเลสก็ผุดขึ้นตรงนี้แหละกูศนก็ผุดตรงนี้สุขทุกข์ก็ผุดขึ้นมาสุขทุกข์ทางใจก็ผุดขึ้นตรงนี้เองแล้วก็นึกว่าจิตอยู่ตรงนหน้าหนอกน่ ถามหลวงปู่หลวงปู่ครับหลวงปู่จิตมันอยู่ที่ไหนครับเนึกว่าหลวงปู่อยบอกจิตอยู่กลางหน้าอกนะจะได้ภูมิใจว่ากูเก่งกูเก่งนะหลวงปู่บอกจิตไม่มีที่ตั้งเอาละสิจิตไม่มีที่ตั้งมันตั้งอยู่ได้ไงมันอยู่ชัว่วขณะแล้วมันก็ดับเท่านั้นเองมันไม่ทําจะต้องตั้งอยู่ที่ไหนหรอกมันไปเกิดที่ตาคือไปตั้งอยู่ที่รูปนะเกิดแล้วก็ดับไปตั้งอยู่ที่เสียงเกิดแล้วก็ดับตั้งอยู่ที่ความคิดทำมารมต่างๆเกิดแล้วก็ดับทั้งสิ้นเลยนะ งั้นจิตไม่ได้ตั้งอยู่ที่ไหนถาวรเราอย่าไปคิดว่าจิตมีดวงเดียวนะบางคนคิดว่าจิตมีดวงเดียวพอร่างกายตายก็จิตออกจากร่างไปเกิดใหม่หรือจิตมีดวงเดียวเดี๋ยวก็วิ่งไปทางตาแล้วก็กลับมาวิ่งไปทางหูแล้วกลับมาเหมือนแมงมุมอยู่กลางใยนะเดี๋ยวก็วิ่งไปทางซ้ายเดี๋ยววิ่งไปทางขวาเดี๋ยววิ่งขึ้นทั้งหบดลงทั้งล่างจิตไม่ได้เป็นอย่างนั้นจิตเกิดดับตลอดเวลาพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านท่านเกิดขึ้นมานะในสังคมซึ่งเขาเชื่อว่าจิตเที่ยง เชื่อเรื่องอัตามันเรื่องอัตตาท่านปฏิวัติความเชื่อเดิมนะท่านสอนเลยว่าเป็นอนัตตาจิตนี้เป็นอนัตตาแต่เดิมคนยุคโน้นของอินเดียนะเขาเชื่อว่าจิตนี้เป็นอัตตาพอร่างกายตายนะตายแต่กายจิตไม่ตายจิตเป็นอมะตะจิตออกจากร่างไปเกิดใหม่จนกระทั่ทงปฏิบัติไปเรื่อยนะทำเพนบารมีไปเรื่อยวันหนึ่งจิตไปรวมเข้ากับปรมาตามันรวมเข้ากับบรมพรมนะ ไม่ตายเป็นอมตะพระพุทธเจ้านี่แหละปฏิวัติความเชื่อว่าจิตเที่ยงท่านพาให้เราเห็นว่าจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนจิตนี้เที่ยวไปอย่างรวดเร็วทางตะวนันทั้งหท่านจะพาให้เรามาเห็นของจริงว่าจิตนั้นก็เกิดดับนะเพราะฉะนั้นถ้าคนไหนไปบอกว่าจิตเที่ยงต้องรู้นะว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ใช่าศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าว่าจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนนะต้องระวังนะ งั้นเราเป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งๆ ท, ที่แขวนป้ายว่าเป็นชาวพูทธนี่แหละใครรู้สึกว่าจิตมีดวงเดียวไหมถ้าไม่ได้ภาวนานะจะเห็นว่าจิตมีดวงเดียวหรือถ้าภาวนาผิดก็คิดว่าจิตมีดวงเดียวนะถ้าภาวนาถูกจะเห็นว่าจิตนะั้นเกิดดับตลอดเวลาแต่การดูจิตที่เกิดดับเนี่ยไม่ใช่ดูง่ายเพราะจิตไม่มีตัวตนเราจะดูของที่ไม่มีตัวตนว่าเกิดดับเนี่ยดูไม่ได้นะดูไม่เห็นเราก็ดูผ่านสิ่งที่เรียกว่าเจตสิก คือธรรมะที่เกิดร่วมกับจิตเช่นความสุขความทุกข์กุศลอกุศลเราก็จะเห็นว่าจิตที่เป็นกุศลเกิดแล้วก็ดับจิตที่โลภเกิดแล้วก็ดับจิตที่โกรธเกิดแล้วก็ดับจิตที่หลงจิตที่ฟุ้งซ่านโผดผูกเกิดแล้วก็ดับจิตที่สุขเกิดแล้วก็ดับจิตที่ทุกข์เกิดแล้วก็ดับเนี่ยเราดูผ่านความเกิดดับของจิตนะผ่านเจตสิกคล้ายๆแก๊สขุ่ข้าวเงี้ยไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะรั่วเข้ามาเราดมไปจนตายยังไม่รู้เลยเขาก็เติมกลิ่นเข้าไปมีกลิ่น พอรั่วออกมาเราได้กลิ่นนะเราก็รู้ว่าแก๊สออกมาละจิตนี้เหมือนกันตัวมันเรามองไม่เห็นเราก็อาศัยรู้มันโดยผ่านสิ่งที่เจือปนกับมันมาก็คือตัวเจตสิกคือความสุขความทุกข์กุศลอกุศนลนั่นแหละงั้นเวลาสอนดูจิตเนี่ยพระเจ้าจะสอนบอกดูกร้าพิกสูทั้งหลายจิตมีราคาให้รู้ั่ามีราคะจิตไม่มีราคาให้รู้ว่าไม่มีราคะเห็นไหมดูผ่านราคะดูกร้าพิกสูทั้งหลายจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะให้รู้ั่าไม่มีโทสะ แม้ดูผ่านโทสะก็จะเห็นเลยจิตที่มีโทสะเกิดแล้วก็ดับกลายเป็นจิตไม่มีโทสะจิตมีราคาเกิดแล้วก็ดับกลายเป็นจิตไม่มีราคะจิตไม่มีราคาอยู่ชั่วคราวก็ดับเกิดโทสะขึ้นมาใหม่ก็ได้ไปเกิดอย่างอื่นก็ได้นะหรือสุขทุกข์ก็ได้นะจิตที่สุขเกิดแล้วก็ดับจิตที่ทุกข์เกิดแล้วก็ดับดูอย่างนี้ก็ได้หรือดูผ่านอายตนะก็ได้แต่อันนี้ดูยากเเห็นว่าจิตไปเกิดที่ตาบ้างจิตไปเกิดที่หูบ้างจิตไปเกิดที่ใจบ้าง จิตเกิดที่ตาแล้วก็ดับจิตเกิดที่หูแล้วก็ดับจิตเกิดที่ใจแล้วก็ดับถ้าเห็นอย่างนี้ถึงจะเห็นว่าจิตเกิดดับได้นะทำไมงั้นไม่มีทางเลยถ้าเราไม่ได้เรียนธรรมะของผู้เจ้านะเราจะเป็นมิจฉาทิฏฐิเต็มภูมิว่าจิตเที่ยงจบยังจบแล้วดีพวกเราปนมือนะคะตั้งใจค่ะท่านประธานในพิธีนะคะจะน้อมถวายเครื่องบูชาธรรมค่ะ สาธุค่ะญาติที่รักท่านใดยังมีคําถามไหมค ะ, ะมีคําถามนะคะจะกราบข อ, ขอความเมตตาพระอาจารย์นะค ะ, ะมีคําถามค่ะนมัสการหลวงพ่อค่ะอยู่ไห น, หนยกเว้นที่บ้านม า, มามส่งกันบ้านครั้งแรกคะ่ะ อ, อยากจะสอบถามว่า ห, หนูไม่มั่นใจว่าหนูแค่รู้สึกตัวหรือว่าดู ดูปับจเจริญปัญญาปกติจิตเหมือนตอนนี้ไหมล่ะตอนนี้ตอนอยู่บ้านตอนก็ไม่ค่ะคิดว่าตอนนี้ตื่นเต้นค่ะตอนนี้จิตถึงฐานไหมรู้จักจิตที่ถึงฐานไหมคิดว่ารู้จัก <c oughs> จิตตอนนี้อยู่ข้างในหรือจิตอยู่ข้างนอกอันนี้อยู่ข้างนอกค่ะอยู่ข้างนอกใช่ไหมงั้นจิตไม่เข้าฐานนะจิตออกนอกและจิตออกนอกเนี่ยยังเดินปัญญาไม่ได้ ปะหลวงพ่อถึงถามว่าปะกะติจิตเป็นอย่างนี้ไหม <นะ S 2> ถ้าจิตเป็นอย่างต้องต้องต้องฝึกจิตใหม่ให้จิตตั้งมั่นจริงๆแบบพุโทโธพุโทโธไปนะจิตไหลไปเรารู้ไหลแล้วรู้ว่าไม่จะตั้งเองอย่าจงใจให้ตั้งน ะ, ะต้องให้เข้าตั้งเองถึงจะใช้ได้อย่างนันรู้ค่ะจิตไปคิดทราบไหมเวลาจิตไปคิดค่ะแต่เมื่อกี้เมื่อกี้ไม่รู้เดี๋ยวเมื่อกี้นะใจไหลไปคิดใช่ไหมแล้วก็ต้องรู้ทันใจมันหนีไปคิดแล้วจะถามอะไรหลวงพ่อ คือก็เลยคือปกติก็แบบเหมือนบางครั้งก็รู้สึกขึ้นมาเองว่าแบบรู้สึกยังไงขึ้นมาอ่ะค่ะแต่หนูไม่รู้สึกว่ามันเป็นใจรักคือแบบคิดว่ามันต้องเป็นทุกครั้งที่รู้สึกเลยป่ะไม่ไม่ไมใช่ไหมเวลารู้สึกตัวบางทีก็รู้สึกอยู่เฉยๆไม่เห็นใจรักน ะ, ะถ้าเห็นใจรักเนี่ยเป็นมิปัสนาการเจริญมิปรสนาไม่ได้เจริญยี่สิบสี่ชั่วโมงเวลาที่ปัญญาเกิดเนี้ยเกิดเป็นคราวๆเกิดขึ้นมาแวบหนึ่งแล้วก็ใจก็แค่รู้สภาวะไปเรื่อยเดี๋ยวค่อยไปเห็นใจรัก อย่างบางคนนะหันรู้สึกตัวอยู่ตั้งเป็นเดือนเลยวันหนึ่งแปลงฟันอยู่แล้วเห็นร่างกายกําลังเคลื่อนไหวร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรา เ, ออเห็นเข้าใจนะวันไหนแว บ, บเดียวเท้านันนะนค่ะอย่างนั้นเคยเป็นแต่ก็เลยรู้สึกว่าก็เลยสงสัยว่าแบบเอา้ามันเพิ่งรู้สึกแค่สาแบบไม่กี่ครั้งเองที่แบบรู้สึกว่าอยู่ๆก็แบบหลวงพ่อให้กันบ้านหนูน ะ, ะหนูคอยไปฝึกกรรมฐานสักอย่างหนึ่งก็ได้แล้วหนูคอยรู้ทานจิตที่เคลื่อนไป ะตัวนี้ต้องฝึกให้ชํานาญสมาธิไม่พอนะถ้าสมาธิไม่พอไม่ค่อยเห็นหรอกนานๆฟลุกเห็นทีหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วหนูก็แทรกแซงด้วยใช่ไหมคะแทรกแซงที่โมโหไหมก็มีค่ะคือหนูจะแบบพอเห็นอะไรที่เป็นอกุศลหนูจะแบบอืมไม่ไม่ชอบแล้วอะเนี่ตัวนั้นอะใจไม่เป็นกลางหลวงพ่อสอนหลักให้นะว่ามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงคือเห็นไตรลักษณ์ก่นมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางค่ะ งั้นถ้าเราเห็นแล้วเราไม่พอใจโทรส า, ามันแทรกไม่ดีให้รู้ทันว่าจิตมีโทส ะ, ะโทสะดับไปแล้วก็จะสักว่ารู้ว่าเห็นสภาวะทำใหม่ะนะคะคต้องให้จิตถึงฐานจริงๆนะคือจิตดังออกนอกนมามัชการค่ะหลวงพ่อว่ามา อ, อที่ปฏิบัติอยู่ถูกบ้างหรือเปล่าคะอที่ปฏิบัติอยู่ปฏิบัติจะถูกเท่านั้นแหละถ้าไม่ปฏิบัติจะผิดส่วนใหญ่จะติดเพ่งดีที่รู้ว่าเพ่ง ถ้าเป็นสมัยก่อนนะนักเพ่งนี่เมีมีแต่คนชมนะมีแต่หลวงพ่อเนี่ยคอยตําหนินักเพ่งเดี๋ยวนี้คนรู้ทันแล้วว่าเพ่งเป็นยังไงเพ่งแล้วก็ซื้อบื้ออยู่นัแหละหนูค่อยๆรู้ไปการเพ่งของหนูเบาลงแล้วมันไม่แรงอย่างแต่ก่อนแนละค่อยๆรู้สึกไปทําไมมันเพ่งมันอยากรู้ชัดๆมันอยากรู้ตลอดเวลาใจมันมีความอยากซ่อนอยู่ข้างหลังใจมันก็เลยมีมีการเพ่งขึ้นมา เพ่งไปเพราะว่าอยากจะดูตลอดอยากจะรู้ชัดๆอยากจะดีนึถ้าเรารู้ทันใจที่อยากนะความอยากดับมันก็ไม่เพ่งเวลาตอนนั่งสมาธิเอ้ยตอนนั่งสมาธิเี่ยคะ่ะมีความคิดขึ้นมาแล้วรู้ข้อคิดเราดับไปไ อ, ยอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ได้เป็นการแทรกแสงใช่ไหมไม่<ะ>ไม่ไม่แทรกแสงเราถ้ารู้ว่าคิดแล้วยังคิดต่ออยู่อย่างเงี้ยคะ่ะถ้าใจอยากคิดให้รู้ว่าอยากเลยใจมันอยากน้ําผลักดันให้คิดให้รู้ทันใจที่อยากอนะ่ะ ถ้ารู้ทันได้ความอยากดับพอเราความคิดไหลวับสติรู้ระลึกปั๊บเนี่ยปัญญาตัดเปรี้ยงเลยจะดับเลยหลวงพ่อมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมไหมคะก็ปัญหาก็ติดเพ่งเหรอนะรู้ตัวอยู่แล้วละค่อยๆ ค, ค, คลายออกเรื่องสมาธิหลวงพ่อเล่นมาแต่เด็กเรู้ว่าสมาธิมันมีสองแบบนะ นี่ท่านหนูเข้าใจที่หลวงพ่อบอกแล้วว่าอันนึงไปเพ่งนิ่งๆอยู่ไม่เกิดอะไรหรอกกี่ปีก็อยู่แค่นั้นอ่ะแล้วค่อยๆรู้ทันใจที่ไหลรู้ทันใจที่ไหลจะได้สมาธิอีกชนิดหนึ่งนะแล้วขันมันจะแยกขอบคุณค่ะของหนูต่อไปขันมันแยกมันจะดูกายจะเห็นกายกระใจเนี่ยแยกออกจากกันได้ชัดพวกที่สมาธิมากเนี่ยเวลาแยกขันจะเห็นกายกระใจเป็นโค้ด้าน จะเห็นได้ชัดกลับมาสการหลวงพ่อค่ะหนูฟังซีดีหลวงพ่อมาหกเดือนแล้วเพียรปฏิบัติมาเอก่อนหน้านี้หนูเห็นจิตหนูเคลื่อนนะคะแลหนูเห็นมาตลอดแต่แต่เมื่อเร็วๆนี้หนูเห็นจิตมันเกิดดับแล้วค่ะก็หนูล้างแก้วอ่ะค่ะแล้วแก้วจะหลุดมือหนูตกใจพอตกใจเสร็จหนูรับได้แล้วหนูดีใจหนูเห็นมันไม่เคลื่อนหนูเห็นมัน มันตัดไปเลยค่ะเกิดระดับค่ะต้องอย่างนั้นแหละ เ, เห็นไม้มมันเป็นเองนะเราจงใจไม่ได้หรอกเรามีหน้าที่แค่ฝึกไปเรื่อยจเจริญสติไปเรื่อยนะแล้วฝึกใจให้ตั้งมั่นฝึกบ่อยๆถึงเวลาที่จะเห็นธาตุขันทำงานได้เองธาตุขันต่างคนต่างทำงานเนี่ยเขาเห็นของเขาเองจงใจไม่ได้อยากเห็นอีกก็ไม่เห็นหรอกถ้าอยากเห็นจะไม่เห็นอีกเลยทาดีละจะนี้จิตถึงฐานไหม ตันนี้ถื่นเต้นนะคะเออนะต้นเต้นะตอบไม่ตรงคำถามถึงค่ะหนู<ะ>คิดว่าถึงค่ะถึงแบบบังคับไว้หรือเปล่า<ต>ลองย้อนไปดูจิตซิดูซิว่าดูได้ไหมดูออกไหมว่ามันเด้งออกไหมพอย้อนไปดูมันจะดีดออกดีดออกนะถ้าดูแล้วมันดีดออกได้นะแสดงว่ามันไม่ถึงฐานจริงนะหนูต้องฝึกนะ โดยการรู้ทันจิต ท, ที่เคลื่อนบ่อยๆนะต้องฝึกเยอะๆหน่อยตรงนี้แต่ไม่บังคับว่าห้ามเคลื่อนนะถ้าบังคับแล้วไม่ได้นะถ้าจิตเคลื่อนไปแล้วไม่รู้ทันเนี่ยหย่อนไปถ้าบังคับไม่ให้จิตเคลื่อนเลยเนี่ยตึงไปนะหนูต้องเพิ่มสมาธิหรือเปล่าคะต้องเพิ่มสมาธิคสมาธิาทำไปได้ทุกวันก็ดีทําไปเพื่อให้ใจได้พักผ่อนนะทํานิดหน่อยทําสมาธิไปหวังว่าจะบรรลุมรรคผลไม่เป็นกคนละเรื่องกัน นีพี่คิดหรื อ, อยังคิดค่ะเออให้รู้ทันอย่างนั้นค่ะอ๋อ ไ, ไม่ใช่หมายถึงจิตไม่ไปข้างนอกไ ม, ไม่ต้องบังคับว่าให้มันอยู่ข้างในหรอกนะรู้เนื้อรู้ตัวนะใช่ใช่ใช่ยศเห็นไหมร่างกายพยักหน้าเห็นไหมร่างกายพูดเราเป็นแค่คนดูเองเราดูเหมือนเราเห็นคนอื่นพยักหน้าเห็นมือนคนอื่นพูดเห็นเมือนคนอื่นกระพริบตาเราดูสบายสบาย ใจเราสบายสบายเห็นไหมมันพยักหน้ารู้สึกนีิแรงไปถ้าแรงไปใจจะแน่นนะถ้าดูไปสบายสบายใจมีความสุขนะรู้สึกตัวไปจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวภาษาไทยตัวเนี้ตรงที่สุดแล้วจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะให้อยู่กับเนื้อกับตัวใช่ใช่นั่นหรืเขาเรียกว่าถึงใช่ใช่ถ้าจิตใจลืมเนือ้อลืมตัวมันก็ไม่ถึงฐานนะ แต่ว่าอยู่กันเนี้อก็ตัวต้องอยู่แบบสบายๆนะไม่ใช่อยู่อย่างงนี้ไม่ใช่นะอย่างนี้ตึงเไปะจะเรียนถามเรื่องจิตส่งในค่ะอือว่าคือคือจะได้ข้อมูลมาว่าตัวตัวหนูเองเนี่ยจะเป็นลักษณะจิตส่งในซะส่วนมากส่งในก็ม้วนกับข้างเข้าไปหลวงพ่อเคยเป็นตอนนั้นหลวงปู่ดูนย์สอน อยาส่งกีเลออกนอกหลวงพ่อวันหนึ่งนะเราก็เห็นว่ากิเลสมันผุดขึ้นกลางหน้าอกเนี่ยกิเลสผุดขึ้นตรงนี้เคยเห็นไหมหลวงพ่อก็วันหนึ่งก็นึกขึ้นมากิเลสได่มาจากไหนวันนี้เราจะตามมันไปดูนะจะตามไปดูมันให้ได้เลยว่ากิเลสมันมาจากไหนเมื่อโผล่ขึ้นกลางหน้าอกเนี่ยกิเลสเกิดแล้วดูลงไปปุ๊บมันหดตัวนะหดตัวลงไปหลวงพ่อตามเลยตามตามตามไปกล่าวว่ามึงลงไปถึงใต้บาดาลก็จะตามนะ เจอพยาไดา้ก็จะไม่กลัวแล้วอันนี้จะตามดูให้ได้เลยกิเลสโผล่มาอย่างไหนลงไปแวบเดียวมันหายไปแล้วหายไปหาไม่เจอแล้วขึ้นมาใหม่เดี๋ยวพอมันโผล่นะดูอีกวมันหดเข้าไปไล่เข้าไปกวานหาข้างไหนนะเนี่จิตไปส่งอยู่ข้างในวันหนึ่งไปเจอหลวงปู่สิมไม่ได้ส่งกันบ้านเลยนะไม่ได้พูดเลยเข้าไปเจอท่านนะท่านกกวักมือเรียก ผู้รู้ผู้รู้ท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้เพาจิตหลวงพ่อเนี่ยตั้งมั่นเป็นผู้รู้อยู่ตั้งแต่เป็นโยมแล้วผู้รู้ผู้รู้ออกมาอยู่ข้างนอกนี่กิเลสไม่ได้อยู่ข้างในนั้นหรอกนั่นรู้นะว่าเราก็ไปหากิเลสอยู่ข้างในอย่าส่งในนี่พอได้ยินหลวงปู่ดูลบอกว่าอย่าส่งนอกนะก็เลยมาส่งในหลวงปู่สินมับอกว่าอย่าส่งในงั้นอยู่เหมือนกลางๆเานี้รู้สึกไว้กลางกลางนี้เคยได้ยินหลวงปู่เทศว่าต้องอยู่กลางๆลา รักษาตรงกลางไว้ก็เป็นพบอีกพบหนึ่งนะตรงกลางก็ไม่เอาอีกอสุดท้ายก็อยู่ตรงนี้ว่าจิตส่งนอกรู้ทันจิตส่งในรู้ทันจิตรู้สึกตัวอยู่รู้ทันไม่ได้เอาอะไรสักอย่างเดียวเลยหนีไปคิดหรือยัง ถ้าหนีวิคิดเนี่ยส่งนอกแล้วส่วนใหญ่เริ่มเห็นการที่หนีไปคิดแล้วก็เริ่มเห็นน่ยปฏิกิริยาของการปรุงแต่งแล้วแต่ว่ามันก็ยังเดินอยู่อีกตรงนี้ค่ะ ไ, ไม่เป็นไรไม่เป็นไรดูอย่างนี้เรื่อยๆนะคื อ, อเห็นเรื่องอารมณ์เห็นการเกิดของการกระทบแล้วเอออย่าให้มันหลงออกข้างนอกลืมกายลืมใจอย่าให้ม้วนเข้าไปอยู่ข้างในแต่ถ้าเราดูในตั้งแต่สเต็ปที่มันกระทบแล้วก็เริ่มเกิดการคิดการปรุงแต่งแล้วก็เกิดอารมณ์ตรงนี้ถ้าเรายังอยู่ในตรงนี้ถือว่ายังเป็นการต้งไม่จงใจนะ หือให้ดูตามธรรมชาติเออต้องเป็นธรรมชาติจิตเนะื้อต้องรู้เนื้อรู้ตัวอย่างแต่ดูตรงนี้แหละใช่ไหมคได้ดูอย่างนั้นได้ดูปฏิจจสุบัติไปมันจะเห็นปฏิจจสุบัติท่อนปลายก่อนมีผัสสะเกิดเวทนาตันหาอุปาทานพบชาติทุก เ, เออมจะเห็นตรงนั้นมันจะไม่เห็นปฏิจจสุบัติท่อนต้นอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารยังไม่เห็นเพราะเราไม่รู้จักอวิชชากนะ็ดูตรงนี้ไปดูอย่างดูดูเท่าที่ดูได้นะ ปัญญาพอมันจะช้ำแลกกลับเข้าไปเรียนเข้าไปถึงอาวิชาต้องทำลายเชื้อเกิดในจิตคือตัววิชานำมัสการหลวงพ่อครับ อ, ม อ, อผมจะถามว่าตอนนี้ผมยังติดอะไรอยู่หรือเปล่าครับ <laughs> ติดพื้นไง <laughs> <laughs> ต้องดูเอาสินะติดเนี่ยมันเกิดจากเราไปอยู่กับสภาวะอันใดนหนึ่งนะเราพอใจแล้วไม่รู้ว่าพอใจอยู่ถึงจะติดนะ อย่างเรานั่งสมาธินะัมีเกิดความสุขนะั้นจิตอยู่กับความสุขไม่รู้หรอกว่าพอใจในความสุขก็จะติดสมาธิแต่ถ้ารู้ว่าเราพอใจนะรู้ทันความพอใจดับไม่ติดแล้วหรือนั่งเข้าฌานติดฌานไอ้อาเขาจะนั่งเข้ามาตรงเนี้ไม่ยอมเดินปัญญาเลยวันหนึ่งรู้ทันว่าเนี่ยมันติดอกติดใจมันมีราคะมีความพอใจอยูรนะ่รู้ทันความพอใจในความสุขความสงบความพอใจขาดปุ๊บไม่ติดแล้วกั น, นแค่นี้ก็พอใช่หมครัโอ้เหลือเฟือแล้ว ตันหาดับแล้วจะเอาอะไรสมาธ า, าผมยังน้อยไปหรือเปล่าครับฟุ้งอยู่ยังฟุ้งอยู่ใช่ไหมครับไปฝึกสมาธิชนิดตั้งมั่นด้วยนะครับพวกเราเ อ, อาอะก็จะฝึกสมาธามันก็เหมือนเจ้าชายสิท ธ, ธาไปหาฤาษีนะแล้วฝึกสมาธิที่ใจตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานครับจิตผู้รู้นี่ผมยังคือยังมีอยู่ใช่ไหมครับจิตผู้รู้เหรอรู้จักจิตผู้หลงไหม ถ้าเมื่อไรเห็นจิตผู้หลงเมื่อนั้นจิตผู้รู้เกิดเลยแล้วมีจิตผู้รู้ก็ไม่ใช่เพื่อรักษานะเราจะเราต้องเห็นเองจิตผู้รู้เองก็ไม่เที่ยงครับเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้หลงต้องเห็นอย่างนั้นเนาะปฏิบัติตอนนี้ก็คือถูกถูกทางเราใช่ไหมครับถูกสิไม่ปฏิบัติอะผิดครับแต่ต้องให้มันถูกมากขึ้นมากขึ้นนะถูกอยู่กับที่ไม่ได้นะ เพราะพระพุทธเจ้าท่านบอกท่านแม่สระเสริญความดีที่หยุดนิ่งอยู่กับที่ต้องดีขึ้นไปด้วยจิตออกนอกยั่งนีิด้น่าครับหนีไปคิดแล้วน่าน่ครับขอบคุณมากครับกับเรียนหึวงพ่อครับตอนเดินจงกรมครับมันมันโม่โม่มันแล้วก็มันก็มีฟุ้งฟุ้งมันก็โม่โม่ไปหายใจหายใจแล้วรู้สึกตัวหายใจแล้วรู้สึกตัว แก้โมหะอันนี้คือโมหะใช่ไหมครับคือถ้าเกิดปุ๊บก็พยายามให้เปลี่ยนเปลี่ยนแล้วก็แก้เปลี่ย น, ยนอารมณ์อะ่ะเดินไปแล้วสึมนะหายใจครับขอบคุณครับรารู้ไหมหายใจออกกับหายใจเข้าความรู้สึกไม่เหมือนกันถ้าเราเริ่มต้นปฏิบัตินะหายใจออกใจจะคลายโดยธรรมชาติเนี่ยอย่างเวลากลุ้มใจควรจะถอนใจใช่ถอนใจหายใจออกแรงๆเนี่ย จะให้ความรู้สึกที่ผ่อนคลายงั้นเวลาภาวนานะถ้าทำเป็นนะหายใจออกซักหน่อยหนึ่งก็รู้สึกแล้วก็ค่อยหายใจเข้าใจสบายไปเล่นลมได้คน<ม>เออเล่นเป็นสาวคราวนะเดินจงกรมไปแล้วถ้าโมหะแทรกหายใจ <c oughs> รู้สึกไหมกระตุ้นความรู้สึกตัวแล้วเออของผมภาวนานี่มี ติดอะไรแนะนำอะไรไหมครับอย่า ก, กลัวติดนะต้องติดแน่นอนอนะ่ะติดไปเรื่อยๆติดอันไหนแล้วรู้ทันก็ไม่ติดอันนั้นไปติดอันอื่นครับบขอบไม่ต้องกลัวรหรอกอยังไงก็ติดไม่ติดก็เป็นพระอรหันต์แหละนรัตการหลวงพ่อครับคือจากที่ได้ฟังซีดีแล้วทําให้ทุกน้อยลงครับทุกร้อยเปอร์เซนตอนนี้เหลือประมาณยี่สิบเปอร์เซนต์ก็อยากจะถามว่าสําหรับผู้เริ่ม ปฏิบัติใหม่ๆนะครับต้องต้องทำอย่างไรครับถือศีลห้ารู้เนื้อรู้ตัวบ่อยๆยัดูกายดูใจมาทำงานมีเท่านี้แหละจะมือใหม่มือเก่าก็มีเท่านี้แหละ <c oughs> <c oughs> สังเกตไหมใจเดี๋ยวนี้กับแต่ก่อนต่างกันแล้วใจโปร่งล่งเบาขึ้นไหมนั่นนะแต่อย่าประคองนะอย่ารักษามัน มันมันเบาก็รู้มันหนักก็รู้มันดีก็รู้มันชั่วก็รูนะ้ดูไปเรื่อยเราไม่ได้ฝึกเอาดีหรอกนะเราฝึกให้เห็นว่าดีก็ไม่เที่ยงชั่วก็ไม่เที่ยงอะไ ร, ะไรในโลกนี้ก็ไม่เที่ยงนะจิตนี้ไปคิดหรื อ, อยังแต่ว่าทุกวันนี้มันมีความอยากที่ ท, ที่จะทำาให้รู้ทันใจที่อยากเบื้องต้นมันต้องอยากก่อนเลยนะแล้วก็รู้ทันเนอาความอยากก็ดับ จิตดองนอกไปยังนั<อ>งนน่นนั่นมีคนนอนกุ้มใจมากแล้วกลัวมไม่ได้กรมาสักการหลวงพ่อครับกุ้มใจจริงครับเพราะตอนที่ผมไปอยู่ที่สวนอนุตธรรมหลวงพ่อบอกว่าผมติดเพ่งแล้วพอหลังจากที่ผมกลับมาเนี่ยผมก็เลิก<ง>ในรูปยงใหม่เนี่ยหลวงพ่อไม่คดิเลิกในรูปแบบทําให้รูปแบบน้อยลงก็ตามดูจิตอย่างที่หลวงพ่ อ, อท่านสอนนะครับลาทํางานก็เห็นใจมันเผลอืม เห็นมันเผลอคิดไปมันไม่ไม่จออยู่งานบางทีเราเปิดงานออกมาเนี้ยมันไปเผลอคิดเรื่องอื่นก็จะตามรู้ว่าเราเผลอแล้วอืเวลาผมจะเดินก็อาศัยว่าเดินรู้ว่ากายมันเดินออกอเปิดประตูจะจับลูกบิดจะจับประตูจะทําอะไรเงี้ยแต่ก็มีเผลอนะครับเผลอบ้างรู้บ้างาใส่รูปแบบนี้ครับนี่ผมจะถามว่าผมจะติดเพ่งอีกไหมครับหลวงพ่อลดลงไปเยอะแล้วล่ะดูตัวเองไม่ออกหรือใจไม่โปร่งขึ้นนะดูออกนะครับดูออกครับหลวงพ่อแต่ว่า บางครั้งผมภาวานาจนมีความรู้สึกว่ามันมันเบื่อไปหมดเบื <Be S 1> ่อให้ดูไปนี่นี่ผมเป็นเบื่อแบบโทสะหรือว่านิพิาทาครับเบื่อจริงๆหลยอ๋อทีนี้ผมก็ต้องดูต่อไปใช่ไหมครับดูต่อไปนะแต่ว่าสมถะไม่ทิ้งนะครับถ้า<ต>ทิ้งมสมถะไปนานๆจิตไม่มีแรงครับผมทีนี้อีกอย่างนะครับหลวงพ่อเวลาผมภาวานามันในบางช่วงเวลาเนี่ยผมจะเห็นทุกข์มันมันลุมผมไปหมดเลยทุกอย่างมันเป็นทุกข์ไปหมด เออให้รู้ทันใจที่ยังไม่ชอบนะ ม, นมันมันมีคาไม่ชอบอยู่ใช่ไหมใจยังไม่เป็นกลางแต่ว่าให้ผมดูความไม่เป็นกลางของจิตครับผมหลักของการที่จะรู้ทันจิตตนเองนะไม่หนึ่งไม่จงใจจะรู้ให้มันรู้เองครนะตอนรู้ก็ไม่สลับลงไปเพ่งไปจ้องนะดูหสบายๆดูห่างๆอย่าง <ผม S 2> สบายๆเผอไปจ้องอยู่ใช่ไหมครับ ก็สังเกตบางทีงก็เหมือนแบบอยากจะให้มันอยากให้รู้ชัดๆเนะใชก็จ้องลงไปให้รู้ทัน<ช>ก่อนจะรู้อย่าอยากรู้ระหว่างรู้อย่าถล่มลงไปจ้อง<ช>รู้แล้วก็อย่าไปแทรกแสง<ช> <Luc an. S 2> มันไม่ดีรู้ว่าไม่ดีมันดีรู้ว่าดีมันสุขมันทุกข์ก็แค่รู้ถ้าแทรกแสงแล้วใจจะยินดียินร้ายขึ้นมาให้รู้ทันครับผมให้ผมรู้ทันตรงไปอีก คือมันกมนมนม็มันก็มีแต่รู้สิใช่ครับก็พุทธะแปลว่ารู้อแต่บางทีมันเผลอมันไปแบบไปไม่ชอบไปอยาก อ, อ, อะไรเงี้ยเนี่ยใช่หลักนะว่าก่อนจะรู้อย่าอยากรู้นะให้มันรู้ได้เองต้องฝึกไปเรื่อยแล้วมันจะรู้ได้เอง ร, ระหว่างรู้อย่าถลําลงไปรู้รู้แล้วอย่าไปแทรกแซงนี่เป็นหลงเกิดความยินดียินร้ายถ้ายินดียินร้ายให้รู้ทันครับมะใช่หลักนี้ถึงจะใช้ได้ขอบคุณครับหลวงพ่อเรื่องการหลวงพ่อครับ ผมจะติดตามการพัฒนาการของผมตั้งแต่เริ่มต้นนะครับคือตั้งแต่เริ่มมีสติอัตโนมัติแล้วผมตรวจสอบว่าเป็นสติอัตโนมัติจริงๆก็คืออย่างเช่นเวลาโกรธพอรู้ว่าโกรธแล้วมันหายไปแล้พัฒนาการต่อจากนั้นสังเกตว่าเวลามีสติอัตโนมัติถ้าช่วงเวลามันมันนานขึ้นมานิดหนึ่ง นะตรงนั้นคล้ายๆกับว่าเหมือนบางทีบางทีมือขยับแล้วก็รู้เลยตรงนี้ถ้าร่างกายเคลื่อนไหวเนี่อรู้ได้ปัจจุบันเลยครับแต่ถ้าจิตเนี่ยต้องตามดูเป็นขณะแบบกระชัน้นชิดจิตเนี่ยจะดูปัจจุบันไม่ได้ครับอย่างเมื่อกี้นี่ยครับก่อนที่ไม่จะมาถึงอนะรู้สึกรู้นะแต่ว่าไม่รู้เรียกว่าอะไรอก่อนที่ไม่จะมาถึงเมื่อกี้ ตอนนี้เขาส่งใหม่มาผมก็ดูไปเรื่อยๆผมก็รู้สึกว่ารู้นะแต่ว่าไม่รู้เรียกว่าอะไรไม่ต้องรู้ไม่ต้องเลือกชื่ อ, อรู้ไม่ต้องมีชื่อผมรู้ถูกใช่ไหมครับจิตฟุ้งซ่านไหม ม, มีบ่อยครับใ ห, ให้รู้ทันตัวนี้นะของคุณมันจะฟุ้งในธรรมะได้อยู่ให้รู้ทันถ้าจิตฟุ้งไปแล้วเรารู้ไม่ทันจะเป็นวิปัสสนูได้ มิปัสสนูกับนักทำมิปัสนาเนี่ยเป็นของคู่กันต้องเจอทุกคนไม่มีทางรอดแต่ถ้าจิตตั้งมั่นถึงฐานจริงๆก็จะผ่านไปได้แล้วที่ผมงงอย่างคือตอนนี้ผมเข้าใจว่าจิตตั้งมั่นหรือจิตถึงฐานเนี่ยก็คือในขณะที่สติอัตมัติระลึกแล้วเนี่ยมันเวลามั น, วมนกว้างขึ้นมันกว้างมากกว่าเดิมตอนโน้นหรือว่าหรื อ, อยังไงครับบางคนรู้สึกมี มันจะแบงแบงอยู่นิดหนึ่งนะครับ<ต>ใช่แต่อย่าจงใจเอาตรงนี้นะมันมันอัจฉริยะมาเองเออมีก็มีอย่าไปเอามันคือเรามีตัวรู้ขึ้นมาไม่ใช่เพื่อจะเอาตัวรู้นะเราตัวรู้เนี่ยเป็นตัวที่ตัดชีวิตเราให้ขาดเป็นช่วงๆอย่างคนที่ไม่เคยภาวนามันมีแต่ตัวหลงทั้งวันมันมีแต่หลงหลงหลงหลงมเลยรู้สึกว่าชีวิตนี้มีอันเดียวจิตนี้เที่ยง ถ้าพมันมีตัวรู้ขึ้นมามนจะพาะว่าจิตเมื่อกี้เป็นอย่างหนึ่งขณะนี้เป็นอีกอย่างหนึ่งเราต้องการแค่นี้เองเราไม่ได้เอาตัวรู้รู้รู้รู้ไปเรื่อยๆนะรู้หลงรู้หลงรู้หลงเนี่ยถึงจะดีที่จริงต้องหลงรู้หลงรู้หลงรู้ไปเลยครับทั้งนั้นตอนนี้ที่ผมสรุปเวลาผมไม่เจอหลวงพ่อเนี่ผมสรุปว่าณปัจจุบันขณะปัจจุบันนี้เปลี่ยนตลอดเวลาครับณปัจจุบันขณะผมระ ล, ลึกอะไรได้ อัตโนมัติขึ้นมาทุกสิ่งทุกเร่องนั้นซรสิ่งแสดงใจรักอยู่แล้วถามว่าเราดูอะไรเราดูไตรรักนะเพราะงั้นต้องตั้งหลักตัวนี้ไว้เราไม่ได้ดูรูปธรรมนามธรรมอย่างเดียวหรอกทุกอย่างนั้นแสดงใจรักอาจารยของผมผมสรุปหล่าว่าผิดใช่ไหมต้องระวังปัญญารัมนะปัญญารัมมันคิดช่วยใช่ไหมเออมันคิดช่วยปัญญา้ําอยู่ไหนหนึ่งบางครั้งผมรู้ว่ารัมอย่างที่ใช้ได้ใช่ไหมใช้ได้ใช้รับ ขอบคุณมากครับกลับนมัสการหลวงพ่อค่ะวันนี้หนูพาพ่อมาด้วยอยากให้หลวงพ่อแนะนําวิธีการปฏิบัติให้พ่อหนูด้วยค่ะพ่อเคยปฏิบัติไหมเคยค่ะพ่อปฏิบัติแบบไหนพูดแทนพ่อก็ได้พ่อเขานั่งสมาธิทุกวันนั่งแบบไหนให้พ่อพูดได้ไหคะพ่อพ่อไม่อยากพูดไปบางครับพ่อพ่อนั่งสมาธิทุกวันนะคะคืออยากทราบว่าหลวงพ่อถ้าพ่อนั่งแบบเนี้ยทําถูกต้องไหมคะ ให้นั่งไปสินั่งให้ดูไหนได้ไหมนะลืมหลวงพ่อไปแล้วนั่งเหมือนที่เคยนั่งนั่งไปเรย่อยะเดี๋ยวนึกได้แล้วจะดูให้อ้าใครจะส่งกันบ้านอยู่ข้างหลังเมื่อกี้นี้อ๋อเนี่ยเหระคือขอาการถามแทนคุณลุงด้วยค่ะท่านอาอยุเยอะแล้วเคุณลุงนั่งอยู่ตรงเนี่ยค่ะในขอให้หลวงพ่อเห็นหน้า ค, คุณลุงก่อนกูชงค่ะ เป็นเสื้อเหลืองเนี่ยค่ะหลวงพ่อแถวที่สามตรงกลางอ่ะคือคุณลุงทำสมาธิค่ะหลวงพ่อแล้วก็ฟังซีดีหลวงพ่อค่ะให้หลวงพ่อแนะนําก็ดีแล้วนี่นะให้คอยรู้ทันใจเวลามันไหลไปใจมันฟุ้งไปอะไรรู้ทันบ่อยๆใจมันไปคิดรู้ทันบ่อยๆอ้าวคุณลุงต้องอนุโมทนาการทุกกรรมฐานทําแบบนี้ไหมเหมือนไหม ตอนนี้เหมือนอย่างขนาดนี้นะถูกนะเหมือนตอนนี้ถูกแล้วรู้สึกตัวไปนะดีเวลาจิตเบิกบานใช่ไหมรู้ไหมโอ้จิตเบิกบานแนละ้วรู้นะไม่ได้ฝึกเอาจิตเบิกบานแต่ฝึกให้เห็นเลยจิตตะกี้เป็นอย่างหนึ่งเดี๋ยวนี้เป็นอย่างหนึ่งนะจิตนี้ไม่คงที่เลยคอยดูอย่างนี้เด้่อยถ้าดูจิตไม่ได้ดูกาย เห็นร่างกายมันนั่งอยู่เห็นร่างกายมันหายใจอยู่กายนี้ไม่ใช่ตัวเราะดูช่วยเป็นคิดหน่อยหนึ่งก็ได้เอาข้างหลังว่างไงกราบนมาสการหลวงพ่อยังไม่เห็นเลยไปกราบ <c oughs> อยู่แถวไหนเอาว่ามา <c oughs> ดิฉันฝึกปฏิบัติขนาดที่เดินจงกรม <c oughs> และนั่งสมาธิเดินจงกรมเสร็จก็นั่งสมาธิปฏิบัติมาประมาณสองเดือน ขณะที่ปฏิบัติจะขนขนขนตัวจะลุกทั้งหมดเลย<อ>ลุกมากคนเป็นเพราะ อ, อะไรดิฉันไม่ทราบเจ้าค่ะเป็นเพราะปีติแล้วที่เราทำอยู่นะเราทำสมถะ<อ>เราทำใจให้สงบนี่ก่อนที่ใจมันจะสงบลึกลงไปไมันมีปีติขึ้นมาเจ้าค่ะขนลุกขนพองอะไรย่างี้ตัวบางทีรู้สึกตัวโตแล้วในะครเป็นไหม กางคนตัวใหญ่มากเลยมีคนนะตัวโห อ, อย่ากระปูเขานี่ยหนักด้วยกระดูกกระดิกไม่ได้เลยมีมีแต่ขนขนตัวลูกเท่านั้นคะลูกลูกนานบางครั้งก็ลูกนานแบบปปปฏิบัตินิดเดียวมันจะลุกทันทีเลยค่ะให้มันลุกไปไม่ว่ามันหรอกก็ก็แต่ว่าต่อไปต้องเดินปัญญานะเจ้าค่ะถ้าไม่งั้นนะชาติหน้าเราไปนั่งสมาธิก็ขนลุกอีก ไปอยู่แค่นี้ไม่พอนะค่ะเจ้าค่ะเพราะว่าเห็นมันอยู่แค่นี้ตลอดเจ้าค่ะมัไปได้แค่เนี้เราไปดูร่างกายไว้เจ้าค่ะเห็นร่างกายพยักหน้าร่างกายพูดใจของเราเป็นคนดูค่อยๆดูไปกายกับใจเป็นโคล่าอันกันอัดดูอย่างนี้เรกว่ากายกับใจมันโคล่าอันร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูฝึก่งนี้บ่อยๆนะเจ้าค่ะถึงจะต่อได้เจ้าค่ะขอบคุณหลวงพ่อมาเจ้าค่ะบอกคุณพ่อนะว่าทําสมาธิสติสําคัญมากเลย อย่างนั่งสมาธิเนี่ยางทีก็จิตไหลไปคิดให้รู้ทันจิตถลำลงไปจ้องอารมณ์นะจิตไหลเข้าไปจ้องอารมณนะ์เนี่ยให้รู้ทันว่าจิตไหลเข้าไปถ้ารู้ทันว่าจิตไหลแจิตจะตั้งมั่นนะจะได้สมาธิที่ตั้งมั่นขึ้นมาไม่งั้นจะมีแต่ความสุขนกักวิาหลวงพ่อค่ะคือมีอยูอ่วันหนึ่งที่กำลังจะเคลิ้มหลับแล้วก็ส่งจิตเหมือนไปรู้อาการนอนของอกายอะค่ะ แล้วก็พบว่าขาหายไปแต่ปกติอาการกายดับเนี่ยหนูจะเจอในสมาธิแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้อยู่สมาธิกำลังจะหลับแท้แทเลยสมาธิหลวงพ่อบอกแล้วนะถ้าเรารู้สึกตัวอยู่จิตก็มีสมาธินะไม่ใช่ว่าจะต้องเข้าทำสมถะอย่างเดียวถึงจะมีสมาธิสมาธิมีสองอย่างงั้นบางทีรู้สึกตัวอยู่อย่าว่าแต่ขาหายไปเลยนะโลกทั้งโลกดับลงไปยังมีเลยนะ พายุพัดตึงตังตึงตังฟ้าผ่ า, าเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงนะดับหมดเลยไม่มีเหลือเลยเหลือได้จิตดวงเดียวเลยทั้งๆ ท, ที่ดูจิตอยู่นะเพราะว่าสมาธิมันอยู่ที่จิตด้วยไม่ใช่อยู่ที่อารมณ์มันเดียวงั้นหนูห่อกันบ้านด้ยค่ะก็ฝึกอย่างนั้นได้ก็ดีแล้วล่ะแต่อย่าอยากให้มันเห็นอย่างนั้นนะถ้าเห็นเองละ่ะจะดีไม่เห็นก็ช่างมันไม่เห็นก็ช่างเห็เพื่พยักหน้าค่อยรู้สึกรู้สึกไปทั้งวันนะ หนูควรจะดูกายหรือว่าดูความรู้สึกดูอะไรได้ดูวันนั้นถ้าดูจิตได้ให้ดูจิตเพราะกิเลสเกิดที่จิตกุศลเกิดที่จิตมรรคผลเกิดที่จิตถ้าเข้าถึงจิตได้ดูจิตถ้าวันไหนดูจิตไม่รู้เรื่องดูกายถ้าดูจิตไม่รู้เรื่องดูกายไม่รู้เรื่องทําสมถะนะมันมีแนวรูปแนวรับของการปฏิบัตินะหนูต้องไปเพิ่มตรงไหนเพิ่มความรู้สึกตัวอะไรอย่างงี้ป่ะคะอย่าใจร้อนนะอย่าอยากได้ ไปลดความอยากได้ลงคุณค่ะนักตัศการหลวงพ่อนะคะเอ่อที่นั่งมาปัจจุบันไม่ได้ยินเนาะที่นั่งมาปัจจุบันไม่ทราบว่าถูกต้องหรือเปล่าที่นั่งปมีปัสนากลับมาฐานมาปัจจุบันเนี้ถูกต้องหรือเปล่าโอ้ถามอย่างนี้หลวงพ่อไม่ได้ตามรู้ตามดูได้ทั้งวันนี่คือคือนั่งนั่งระหว่างนั่งอยู่เนี่ยจิตมันก็จะไปแต่ ก, แตก็แต่ก็รู้แล้วก็กลับมาที่ลมหายใจ มันก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาเราไม่จงใจนะไม่ได้จงใจเออไม่จงใจจิตไหลไปเรารู้ะแล้วดึงกลับมาที่ลมไหมดึงค่ะถ้าดึงมาใจจะแน่นแน่นนี่ดึงเกินไปใช่คนที่ภาวนาแรกๆอย่างเนี้ยจะเป็นอย่างของคุณนี่แหละเผลอไปนะเรารู้ว่าเผลอแล้วก็อย่ามาเพ่งไว้นะเป็นสามอันต่อไปอย่าไปเพ่งมันแต่ถ้ามันเพ่งให้รู้ทันนะต่อไปมันจะเผลอล้วรู้เผลอล้วรู้เหลือสองคนที่ไม่เคยภาวนาเลยนะ มีหนึ่งเท่านะคือเผลอเผลอเผลอเผลอเผลอไม่มีรู้พาหัดภาวนาใหม่ๆนะเผลอไปแล้วรู้รู้แล้วก็อย่ามาเพ่งเดี๋ยวเผลอรู้แล้วก็เพ่งเผลอรู้แล้วก็เพ่งจะสลับกันต่อไปพอชํานาญในการปฏิบัติมากขึ้นเผลอแล้วรู้เผลอแล้วรู้เผลอแล้วรู้ะปฏิบัติถึงขีดสุดนะจะเหลือรู้รู้รู้แล้วก็รู้ขอคำแนะนำด้วยนะคะอาจารย์ขอคาแนะนําด้วยนะคะอย่าใจร้อนเลย แต่ร้อนไปข อ, ขอบคุณค่ะอาารยกลับนมรดการหลวงพ่อคะ่ะแล้วเราจะปฏิบัติอย่างไรในยี่สิบสี่ชั่วโมงอะคะเวลาเราต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นการปฏิบัติเนี่ยเราต้องตั้งหลักอย่างนี้นะว่าชีวิตเราเนี่ยเกิดมาเพื่อจะยกระดับจิตใจของตัวเราเองให้ไปสู่ความพ้นทุกข์ให้ได้งานหลักในชีวิตเราก็คือการปฏิบัติแต่ว่าอยู่ๆเราจะปฏิบัติตลอดเวลาเนี่ยเป็นไปไม่ได้ มันมีสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องทําเพื่อจะมีชีวิตยอยู่ขณะนี้ด้วยไม่ใช่แค่ว่าะจะยกระดับจิตใจออกจากวัฏตะอย่างเดียวมีอยู่สองอย่างที่จะทําให้เราปฏิบัติต้องเว้นวักการปฏิบัตินะอันที่1เวลาเราหลับเวลาหลับเราไม่ได้ปฏิบัติให้มหลับไปเวลาที่สองเวลาที่ทํางานที่ต้องใช้ความคิดเราจดจ่ออยู่กับ ง, งานเนี้ยเราจะมาดูกายมาดูใจไม่ได้ แต่ถ้าเราทํางานแค่ติดต่อสัมพันธ์กับคนเจอคนในเนี่ยนะเราให้คอยรู้ทันใจของเราเจอคนนี้เราชอบเจอคนนี้เราเกลียดบางคนเห็นหน้าก็ลาคาญลนะนะให้รู้ทันใจเขาเลยเรียกว่าเราปฏิบัติอยู่ในชีวิตจริงๆเลยนะแต่ถ้าอย่างทำงานที่ต้องจดจ่อมากๆจะเขียนหนังสือจะเขียนซอฟต์แวร์อะไรอย่างนี้นะต้องจดจ่อการงานอันนี้ไม่ได้ปฏิบัติหรอกแต่จําเป็นต้องทํามาหากินเลี้ยงชีวิตเลยต้องทำํำนะต้องแยกกัน ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นมาที่ตาเราที่หูเราที่อะไรอายตนะอะไรพวกนี้เราก็รู้รู้ใ จ, ใจเรารู้ใจนะตามองเห็นใจก็เปลี่ยนหูได้ยินเสียงใจก็เปลี่ยนใจไปคิดจิตก็เปลี่ยนอีกดูความเปลี่ยนแปลงของจิตไปอย่าไปจงใจนะขอบพระคุณค่ะออนอำมสกาหลงพ่อค่ะคือปัจจุบันที่ทามาค่ะก็ใช้วิธี ตามรู้ตามดูบางทีก็เห็นเกิดดับบางทีนานๆก็เกิดทีส่วนใหญ่ถ้าเผลอ ER ก็จะกลับมาอยู่กว่าลมอะค่ะบางครั้งก็เห็นเกิดดับเหมือนไฟฟ้าคือมันก็เกิดเร็วแป๊บๆแต่ปัญหาที่ ท, ที่ที่เจอก็คือว่าเ อ, อเวลาที่ไม่สบายก็คือว่า อย่างเช่นเวลาเข้าโรงพยาบาลเนี้ยค่ะมันจะเป็นมีเวลาที่เราเห็นการเห็นกายได้ชัดก็คือว่าเวลาที่เราไม่อยากได้กายอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันก็จะอยู่กับลมแล้วก็พยายามอยู่ประจิตแต่ปัญหาก็คือในเวลาที่เราพยายามมีครั้งหนึ่งลองพยายามฝึกอะค่ะว่าเราคิดว่าเราจะตายจริงๆแล้วก็ไม่อยากจะได้กายนี้แล้วมันก็หลุดออกจากกายได้แต่ว่าสิ่งที่มันทําไม่ได้ก็คือว่ามันยังเกาะมากับตัวผู้รู้ตลอดเวลาคือจิตมันสะบัดออกไปแล้วมันก็เด้งกลับมาค่ะเราปฏิบัติยังไม่ถูกทีด เดียวหรอกนะอย่าไปเกลียดกายถ้าจะตายจริงๆเนี่ยดูกายมันตายใจเราเป็นคนดูที่สบายๆส่วนตายแล้วจะไปไหนเรื่องของมันนะเนี่ยฝึกแค่เน้นพอเอย่าไม่งั้นจิตจะไปจับอยู่ที่จิตค่ะใช่ค่ะนะเกลียดกายให้จิตไปจับอยู่ที่จิตถ้าจับมากๆก็แปรรูปเลยถ้าแปรรูปแล้วพระเสียระยะเมตไตรมาตรณ์นะท่านนึกถึงเราท่านจะอุทานว่าพลาดจากคุณนันใหญ่แล้วนะเอ เพราะฉะนั้นต่อไปนี้ถ้ากายไม่สบายดูไปดูเหมือนดูคนอื่นไม่สบายถ้าจะตายนะดูกายมันตายใจเราเป็นแค่คนดูเมื่อเช้ามาทันที่หลวงพ่อเริ่มเทศไหมทน่ที่มีพระว่าท่านนึกถึงว่าถือศีลน่ะะเสร็จแล้พอจิตท่านตั้งมั่นท่านก็ดูกายมันตายนั่นแหละนั่นบารมีท่านพอนะท่านจบจิตไปเลยมันอาจจะคิดว่าใจเใจมันอยากมันยังจริงจมันก็ยังอยากได้ยังก็ยังติด ตัวเราอยู่ใช่ไหมคะใช่มันเลยยังไม่สามารถจะสะบัดได้แล้วการที่ไม่เอากายเนี่ยไม่ใช่ไม่เอาด้วยปัญญานะแต่ไม่ได้เอาด้วยโทสะมันยังมีโทสะแสงอยู่นะคเนี่ยมีบุญด้วยมีโทสะด้วยเดี๋ยวไปเป็นยักษ์นะใช่ใช่ค่ะรู้สึกไหมว่าค้ายยักษ์เดี๋ยวมันจะโมโหใช่ค่ะ นมัสการหลวงพ่อค่ะอยู่ไหนอยู่ไหนยืนได้ไหมหลวงพ่อไม่เห็นน่ะเห็นแต่ปลายผมนมัสการหลวงพ่อค่ะคือเวลาตามตามรู้ตามดูจิตในชีวิตประจำวันเนี่ยชอบที่จะไปรู้เรื่องที่จิตตัวเองคิดนะคะจิตอะไรนะชอบรู้เรื่องที่จิตตัวเองคิดอยู่ค่ะมันไม่เป็นกรไปรู้เรื่องที่คิดค่ะชอบรู้เรื่องที่คิดรู้เรื่องที่คิดนะคนไม่ภาวนาก็รู้นะเป็นเรื่องธรรมดา ถ้าเราจะภาวนาเนี่ยเรารู้ทันว่าจิตมันเผลอไปคิดแล้วมีกายลืมกายมีใจลืมใจให้คอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจรู้สึกสบายๆนะถ้าจิตไหลไปคิดก็แค่รู้ว่ามันหนีไปคิดคิดอะไรไม่สําคัญสําคัญที่รู้ว่ามันหนีไปคิดแล้วพอรู้รู้สึกว่าเราหนีไปคิดมันรู้สึกแว บ, บเดียวแล้วเราก็ไปรู้เรื่องต่ออีกะคะ่ะใช่เอาแค่นั้นแหละเห็นไหมตรงที่ไหลไปคิดเนี่ยจิตมันเผลอไปคิด ที่หลวงพ่อบอกว่าเผลอไปแล้วรู้เผลอไปแล้วรู้วนั่นค่ะแล้วรู้บ่อยๆเราไปความรู้ตัวมก็ถี่ขึ้นฉี่ขึ้นนะค่ะช่วงเวลาที่หลงไปคิดจะสั้นหลงเรด้วยๆค่ะขอบคุณค่ะนู้นอยู่ข้างหลังนู้นเลยส่งไปส่งไปน้ำใหม่อาจจะออกนอกรั่วไปเลย<อ> <laughs> นมัสการที่หลวงพ่ออนู่ค่ะอ้าวว่ามาเออคืออยู่รู้สึก ว่าหนูภาวนาแล้วเวลาเวลาที่ที่ที่ก่อนจะรู้สึกตัวค่ะมันจะเหมือนแบบหลงไปทั้งทั้งตัวเลยอะค่ะแล้วทีเนี้ยพอจะรู้สึกตัวมันจะมีจิตดวงหนึ่งขึ้นมารู้อแืแล้วทีเนี้ยเรามันก็เหมือนแบบแยกออกเป็นใช่แล้แยกกายกับใจก็แยกนะความรู้สึกกับจิตใจก็แยกออกจากกันใช่ก<ฆ>็ต้องเั็นอย่างนั้นแหละ แล้วแล้ย่างนี้ต้องยังไงต่ออะคะอย่าไปอยากให้เป็นเขาเป็นของเขาเองนะเราพยายามรู้ใจไหลไปแล้ว ร, รู้ใจไหลแล้วรู้บ่อยๆแล้วถ้ามีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในใจก็หัดรู้ไปเรื่อยต่อไปมันจะเป็นเองอืมแล้ว เ, เราพักหลังนี้เวลาที่มันเหนื่อยมากๆอะคะ่ะมันจะรู้สึกเหมือนแบบจิตมันมันวืร์บลงแล้วก็สว่างสว่างอะคะ่ะ อ, อ, อันนี้หนูทําผิดอะไรหร<ม>ือเปล่าไม่ผิดจิตจะเข้าที่พักมัน นี่มันแทนที่จะพักแล้วสลบสไลไม่รู้เรื่องนะพุักรวมตัวเข้ามาสว่างตัวนั้นเป็นที่พักของจิตนะเวลาที่เราภาวนาถ้าเราชํานาญนะเดินปัญญาไปช่วงเราต้องการพักก็ลงปุ๊บลงไปพักนู่นข้างหลังนูง่น อ, อยู่ไกลไกลเลยน้มาสการหลวงพ่อคะ่ะขอเรียนถามเวลารู้ตัวเนี่ยมีเวลาเกิดความง่วงเราก็เห็นความง่วง แต่ความง่วงก็ดูดเมื่อกล่าเราถูกดูดไปเรื่อยๆแต่เราก็เห็นมันค่ะแต่เราก็ถูกดูดอ่ะลักษณะอย่างนี้ควรจะทํายังไงคะหลับไปเลยให้ยอมไปเลยนะคะคืออย่างนี้ต้องแยกให้ออกนะถ้าความง่วงเนี่ยเป็นเรื่องทางร่างกายะถ้าขี้เกียจเนี่ยเป็นเรื่องทางใจถ้าความขี้เกียจเกิดเรามีสติรู้ทันขี้เกียจ ด, ดับแลหายเลยแต่ถ้าร่างกายต้องการพักผ่อนนะมันดูดไปเราให้มันพักไป พักเต็มที่แล้วขึ้นมาภาวนาใหม่หรืออย่างหิวกับตะกะไม่เหมือนกันหิวเป็นเรื่องทางร่างกายตะกะเป็นเรื่องทางใจถ้าตะกะนะเรารู้ทันตะกะดับไม่ต้องกินถ้าหิวรู้วหิวนะก็ยังหิวอยู่ต้องกินเป็นเรื่องทางกายอย่างร่างกายต้องการนอนรู้ว่ามันจะพักผ่อนแล้วนะก็ให้มันพักไม่ฝืนมันดอกอาจารย์คะและอาการนี้บางทีมักจะเกิดฝั่ง ฟังฟังสิ่งเราอยากได้ยินอย่งฟังธรรมะธรรมะที่เรากําลังอยากอยากรู้มากๆจะง่วงฮะค่มแล้วดูรายการที่เราอยากจะดูมากว่ามันจะง่วงแล้วเป็นง่วงแบบดูดูดูดแต่เราก็เห็นมันนะคะเราภาวนานะเราปล่อยมันเลยเราตามรู้มันไปเรื่อยอย่าไปฝืนมันอยากง่วงให้มันง่วงมันดูดให้มันดูดเราแค่รู้สึกแค่รู้สึกไปเรื่อยนะพอมันลงไปพักนิดเดียวบางทีลงไปแป๊บเดียวพอใจแล้วก็ขึ้นมาแล้วนะ ถ้าจิตต้องการพักอย่างนั้นอย่าฝืนเวลาที่จะเกิดอริมกักจิตรวมนะเนยฝืนฝืนนีไม่ไม่เกิดเลยอย่าไปฝืนจิตมัน <c oughs> แต่ว่าไม่ขาดสติมีสติไปเรื่อยให้เห็นไปเรื่อยเออ<ช>เห็นไปเรื่อยนะ <c oughs> บางทีร่างกายหลับไปเลยนะจิตเนี่ยสว่างรู้ตัวตลอดเลยแต่สั่งให้ร่างกายกระดุกระดิกไม่ได้เลยค่ะขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์ กลับเรียนถามหนวง่ะคะ่ะคือหลักๆปฏิบัติด้วยการเดินจงกรมอะคะ่ะแต่รู้สึกว่าคือเหมือนต้องเดินเยอะมากจนคือรู้สึกว่าถ้าเดินเยอะขึ้นสติในระหว่างวันจะดีขึ้นนะคะแต่ในความเป็นจริงคือไม่สามารถจะเดินได้เยอะขนาดนั้นอยู่ตลอดอะคะ่ะเลยไม่ทราบว่าจะพัฒนาสติในชีวิตประจำวันยังไง<ก>ให้เ<ร>อขึ้ น, นะะในอิริยาบถอื่นๆบ้าง อย่างหลวงพ่อเนี่ยนะโดยร่างกายเนี่ยเดินมากไม่ได้เป็นกรรมพันธุ์ที่อ้วนมากๆเลยทั้งพ่อทั้งแม่นะเพรนเดินเยอะๆเนี่ยเดินไม่ไหวหลวงพ่อใช้การเคลื่อนไหวอ๋ไม่จะไปลองไปหัดขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนนะตั้ง14จังหวัดลำคาญจริตเราไม่ชอบอะไรที่ลุงรังขนาดนั้นนะเยอะรู้สึกมากไปหลวงพ่อมีพัดอยู่วันหนึ่งหลวงพ่อพัดเลยพัดแล้วเราก็รู้สึกนะลมพัดมาเย็นสบายใจเราพอใจรู้ว่าพอใจ ถ้าใจเฉยๆเราก็เห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูอะไรอย่างเงี้ยนะไม่จําเป็นต้องไปเดินมากๆตลอดเวลาหาให้ได้ทุกอิริยาบทแล้วตัวสําคัญก็คือการฝึกในชีวิตประจํำวั น, นเพราะชีวิตส่วนใหญ่ของเราอยู่ในชีวิตประจําวั น, นเป็นฆราวาสเนี่ยต้องฝึกเจริญสติในชีวิตประจํำวันให้ได้ถ้าไม่งั้นโอกาสจะได้มากผลเนี่ยแทบไม่มีเลยฝึกในชีวิตประจําวันทําไง เมื่อตามองเห็นรูปจิตเปลี่ยนรู้ทันเมื่อหูได้ยินเสียงจิตเปลี่ยนรู้ทันนะดูความเปลี่ยนแปลงของจิตไปถ้าดูจิตใ จ, ใจไม่รู้เรื่องก็เห็นร่างกายมันเดินเห็นร่างกายมันทำงานนะต้องฝึกให้ได้นะครวาาต้องฝึกเจริญสติในชีวิตประจำวันให้ได้ภาระเราเยอะจะเอาเวลาที่ไหนไปทำในรูปแบบวันหนึ่งหลายๆชั่วโมงทาให้ไหวนะฝึกในชีวิตประจวันนี่แหละตัวสาคัญมากเลย กระทั้งพระนะพระเนี่ยบางทีครูบาอาจารย์พาทํางานทั้งวันเลยอย่างพระของหลวงพ่อตอนนี้ไปช่วยกันทําโบสถ์นะช่วยกันทําไม่มีใครเ้าสั่งหรอกแต่ว่าอยากช่วยกันทำํนะทำทําไปแล้วก็ถ้าทําแล้วโลภอยากทําเยอะๆอยากทําเร็วๆอันนี้ขัดทุนถ้าทําไปเจริญสตีไปนะขคาะปูนดัดเหล็กอะไรค่อยๆทําไปด้วยความรู้สึกตัวได้ปฏิบัติอย่างนี้ดีนะ พวกเราก็เหมือนกันนะอยู่ในชีวิตจามันกวาดบ้านทูบ้า น, านนะทำอะไรก็คอยรู้สึกตัวไปแต่เวลาขับรถต้องระวังอย่าให้จิตรวมนะจิตไปรวมตอนขับรถอันตรายตื่นขึ้นมาอีกทีเจอโยมประบาดนลนะ้ว <c oughs> เอาละละได้เท่านี้นะเดี๋ยวเราต้องไปอีกที่หนึ่งละค่ะในโอกาสนี้นะคะจะขอโอกาสในการน้อมถวายสังฆทานนะคะ ก็ขอพวกเราได้ตั้งใจพร้อมกันนะคะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องสังฆทานพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระพิสุสงขอพระพิสุสงจงรับ ซึ่งเครื่องสังฆทานพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาบูชาคุณบิดามารดาและบูชาคุณครูบาอาจารย์ด้วยอานิสงส์แห่งการบูชานี้ ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้มีปัญญาได้ดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงมรรคผลนิพพานในชาติปัจจุบันอาการนี้ด้วยเธอนค่ะเรียนเชิญท่านประธานถวายพระเจารย์ค่ะหลวงพ่อให้พรสักหน่อยนะ งัดูขาดขาดไปยถาว่ะริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวาเมีวาอิโตตินังเปตาณังอุปการปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิ ป, ปะเมวาสมิชตุสเพปุเรนตูสังกปาจันโทปนารโสยถามณีโชติรโสยถาสพีตีโยวิวัตชันตุสัพโรโควินาสตุ มาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คาโยโกภวะอาภิวาธนาสีลิสนิจจังอุทธาปจายโนจั ต, ตาโรธรรมาวทันตีอายุวันโนสุขขังพระลัง